การรำลกา ร, รอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่99แล้วครับอาจารย์นับผิดลืมไปอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์มี92หายไป <c oughs> ก็เลยไปเติมให้เต็มวันนี้ก็เลยเลข99ครับมีท่านผู้ชมบอกเมื่อวานหวยออก99ครับอาจารย์เออเนี่ยนะมาที่ัีหลัง ส <laughs> วัสดีครับนะแม่นต้องมาก่อนเลยนะแมนคือคราจอาจารย์ครับวันวนี้เช้านี้คนไปใส่บาทเดียวะไหมครับผมก็สี่ร้อยยีสี่สี่อยยสิบอ๋อสี่รอยยีสิบครับผมอาจารย์ครับวันนี้เรื่องขันห้ารูปนามครับก็ตอนที่ผมเรียนหมอครับอาจารย์ก็เรียนอนณโตมี่เรียนละเอียดเลยครับเรียนหมดเลยผ่าเข้าไปเห็นทุกส่วนเลยครับก็รู้สึกว่าลึกซึ้งมากระดับหนึ่งแล้วนะครับ แต่พอมารู้จักอะนาโตมีของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าเนี่รู้สึกยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกเพราะว่ามีส่วนที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยครับอาจารย์เป็นส่วนของของนามก็เลยรู้สึกว่าอนาโตมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยดูลึกซึ้งมากวันนี้ก็เลยอยากกลับขอปัญญาจากอาจารย์ครับอธิบายถึงเรื่องของขันห้ารูปนามครับอาจารย์ครับกลับขอความเมตตานะครับคือขันห้านี่ก็คือองค์ประกอบของ ชีวิตของมนุษย์และศัตใราชาเนะีมีอยูส่สองส่วนแลกั น, นคือส่วนรูปประคันกับ น, นามประคันรูปประคันนี่เป็นส่วนที่เราเห็นได้เพราะเป็นรูปแต่เรื่องของนามประคันนี่เรามองเห็นไม่ได้เพราะมันเป็นนามก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือกับสัญญาณโทรศัพท์นี่ oh. เราเห็นตัวตัวเครื่องใช่ไหม ใช่ครับแต่เราไม่เห็นตัวสัญญาณที่ใช้ติดต่อกันระหว่างเครื่องอันนั้นส่วนประกอบที่เรามองไม่เห็นก็เหมือนกันนามัขันมัก็เป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจคือเวทนาะความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดปรงแต่วิญญาณการรับรู้รูปเสียงกินริ ผลตะพาที่กข้มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายครับนนความจริงชีวิตของเรานี่เป็นชีวิตของฝาแฝดแฝดสยามแฝดสยามมีสองคนนะใช่ไหมพี่อินกับจันเราก็มีนามกับลูกลูกกับนามใช่ไหมลูปเรามองเห็นตัวตัวนามเราเห็นแต่ตัวพี่เรามองไม่เห็นตัวพี่ก็คือ นา ม, มาขันเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุรู้หรือหรือจิตใจนี่ธาตุรู้คือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยที่เราเรียกธาตุรู้นี่ธาตุารู้ก็คือผู้ที่มีมีความสามารถ4ี่ประการคือรู้สึกสุทุกข์จําได้หมายรู้สัญญาคิดปรุงแต่งได้สังขาร เราได้รัรูปเสียงกลิก่รถอสภาพที่มาสัมผัสกับตาของจมูกนิ้วกายของรูปประคันได้นะครับเชื่อมต่อกันด้วยด้วยวิญญาณระหว่างนามของรูประหว่างอิงนกับจันนี่เขาเชื่อมต่อกันด้านข้างด้านสีข้างใช่ไหมติดกันที่ด้านสีข้าขงขนานห้าก็เป็นนามของรูปรูปกับนามนี่ก็เป็น เปาแฝที่เชื่อมต่อด้วยด้วยวิญญาณวิญญาณในท่ในในในขันสี่ในนามขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่เป็นตัวเชื่อมต่อติดกับร่างกายทำให้ร่างกายกับใจสื่อสารกันได้ <Okay. S 1> ร่างกายสื่อสารด้วยการส่งรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ใจเวลาร่างกายลืมตาก็เห็นรูป ลูกที่ที่เข้ามาทางตาก็จะส่งมาทางใจส่งมาทางวิญญาณเข้ามาสุบใจแล้วก็ใจก็สใจก็ติดต่อกับร่างกายด้วยด้วยสังขารความคิดผูแต่ใจเป็นคนคิดสั่งให้ร่างกายมองให้ไปดูไปฟังไปริมร่นไปดมกลิ่นสั่งให้เรื่องร่างกายเคลื่อนไหวเรื่องการให้ลุกขึ้นให้ยืนให้เดินนี่ อันนี้เป็นสังขารก็คิดปรุงแต่งเป็นผู้สําคกญอันนี้คือเอาลองมองดีๆแล้วเราจะได้เขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนคนเดียวเราเป็นฝาแฝดเราเป็นแฝดพี่กับแฝด น, น้องแลวตัวที่สำคัญก็คือตัวแฝดพี่ตัวแฝนน้องนี่เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนคนรับใช้แฝดพี่อีกทีนง แล้วก็เป็นตัวที่ชั่วคราวไม่ยั่งยืนร่างกายนี้วันหนึ่งก็ต้องสิ้นสุดลงสวนใจผู้ที่สั่งการที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีนามขันศีนี้นที่มีเวทนาสัญญาสังการวิญญาณนี้เวลาร่างกายตายไปตัว ตัววิญญาณที่ไปติดกับร่างกายก็เหมือนการจะแยกกันออกเหมือนถอดปลั๊กเนี่ยเวลาถอดปลั๊กออกจากเครื่อง<ม>เครื่องก็ไม่ทํางานหยุดทํางานนี่คือสิ่งที่มีชีวิตอย่างมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี่มีเหมือนกันมีแขนห้าเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานก็ก็มีขันห้าเขาก็มีรูปประการคือร่างกาย อาการก็สามที่สองเหมือนกันศาสตว์เดรชาเนี่ก็มีผมขนเล็กฟันหนังเล็กกระดูกเหมือนกันแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกนึกคิดมีสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกัน <Okay. S 1> ต่างกันตรงที่ระดับความสติปัญญาของมนุษย์กับของเดรชาเนี่ต่างกันมนุษย์นี่มีสติปัญญาที่ฉลาดกว่าศาสตร์เดรชา เป็นมนุษย์จักสร้างบ้านสร้างเนินไว้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยแต่สัตว์เดรัจฉานนี่เขาสร้างไม่สร้างบ้านไมเป็นสิ่งที่เขาทาได้อย่างมากก็ขุดดินขุดอะไรเข้าไปพุดอยู่ในโพรงอะไระต่างๆครับ <Okay. S 1> มนุษย์กับสัตว์สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์นี่ถ้าพูดองค์ประกอบนี้เท่ากันเหมือนกันมีการห้ามเหมือนกันแต่กันตรงที่สติปัญญาอวิมิดความอ่านนี่ สู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์ขี้นได้ลึกซึ้งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาก็เกิดจากความรู้สึกนึกิดความคิดของมนุษย์นี่การศึกษาเรื่ติปัญญาก็คือความสัญญากับสังขารที่เป็นองค์ประกอบของสติปัญญาครับอันนี้ก็อย่างที่พูดว่าชีวิตของเราเนี่ยตัวสําคัญไม่ใช่น่างกาย ร่างกายเป็นเป็นเพียงของชั่วกราวเป็นของที่รับใช้ตับสนองความต้องการ ข, ของใจเพราะใจนี้มีกิเลสฝังอยู่ในใจไม่ เ, เหมือนว่าตัว ว, วายลัวฝังอยู่ในร่างกายที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจและวิธีแก้ความทุกข์ของใจก็คือไปแก้ตาคําสั่งของกิเลสกิเลสสร้างความทุกข์ให้กับเราถำใ้เรารู้สึกเหงารู้สึกเศร้า ก็เลยวิธีแก้ความเหงาความเศร้าให้ไปเที่ยวกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่านั่นแ่ะคือคือเรื่องของกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราที่คอยสร้างความรู้สึกเหงาว้าเว่ออ้างว้ า, วางเปล่าเปี่ยวเดียวดาเวลาอยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวมันก็บอกให้แก้ความความเหงานี้ด้วยการไปหารูปเสียงกินรถหาบุคคลนั้นบุคคลนี้มาเป็นเพื่อนแก้เหา แต่สิ่งที่กิเลสหลอกให้เราไปหามันเป็นของชั่วคราวเหมือนกันเราก็เป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมมักครับให้มันตอบสนองความต้องการเราได้เสมอไปบางทีมันก็ให้ความสุขกับเราบางทีมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราให้ความทุกข์กับเราก็มีเช่นของที่เราใช้อยู่เช่นรถยนต์เราไปซื้อมาใหม่ใหมมันก็ ตอบสนองความต้องการของเราได้ทุกเวลาแต่ใช่ไปใช่ไปเดี๋ยวก็เริ่มชมรูุสุโๆเดี๋ยววันหนึ่งก็สตาร์ทไม่ติขึ้นมาพอสตอร์ทไม่ติดความสุขที่เคยได้จากการใช้รถก็กลายเป็ความทุกข์ต้องไปซ่อมมันละต้องไปหาต้องไปแก้ปัญหายังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรที่จะมาแก้ปัญหาความทุกข์ใจนี้กลายเป็นตัวปัญหาต่อไป เราไปหาตัวมาแก้ปัญหาแล้วตัวที่มาแก้ปัญหาให้เราก็กลายเป็นตัวปัญหาขึ้นมาอีกทีใช่มถ้าเราไม่มีรถยนต์เราก็จะไม่มีความไม่มีปัญหากับรถยนต์ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการแทนที่จะใช้รถยนต์เราก็ใช้เท้าเราเดินไปเดินมาไปไหนมาไหนก็ใช้เท้าไปหรือใช้รถเมลหรือใช้รถสาธารนณะไปมันก็ปัญหาเรื่องรถยนต์ที่เราเข้าครองไว้ก็จะไม่มี ตัวที่มาแก้ปัญหาตอบโจทย์ที่เราต้องการไปไหนมาไหนสะดวกรวดเร็ ว, รวต้องมีรถโยนมันก็ตอบโจทย์ได้แต่ไม่ตลอดเวลาวันหนึ่งตัวตัวที่มาตอบโจทย์การเป็นโจทย์ขึ้นมาเองค็อมันเสียอันนี้ว่ามันทุกข์เนี่ยคามที่เราไปหามาแก้ความความทุกข์ของใจนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเราแก้ผิดจุดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ของเราเกิดจากอะไร ก็วเ้งของความทุกข์ของสงใจก็เกิดจากความอยากอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแกล้งเหา่าซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องตัดความอยากนั้นละความอยากหยุดความอยากย่วแล้วหัดอยู่กับความเหนาให้ได้ถ้าอยู่กับความเห่าได้มันก็ไม่ต้องไปไม่ก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาแกล้งเหา่า okay. วิถีของพระเจ้าคือว่าให้อยู่กับความเหงาไปอ ย, อยู่กับความโดดเดี่ยวเดียวดายไปหัดอยู่กับความโดดเดี่ยวเดียวตาเดียวดายเรื่องต้นการมีเครื่องมือให้เราช่วยมาแก้ก็คือใช้สติสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบความเหงาก็หายไปโดดเดี่ยวความอยู่ตามลําพังก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกทุกข์แต่พอจากสมาธิมามันก็ยังท่านความเหงาให้ได้ พราะมันใจก็เริ่มคิดคิดเองพอคิดมันความอยากมีนั่งมีนี่ก็ทําให้ใจรู้สึกเหงาเวลาไม่มีอะไรอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดหยุดตัวความอยากนี่ว่าสิ่งที่เราจะเลือกเอามาแก้ในโลกนี้มันเป็นตายรักทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นตัวตัวที่แก้โจทย์ได้อย่างท้ทททาวท้าววอนมันกลับเป็นตัวกายเป็นตัวโจทย์ขึ้มนมาองดังนั้นเราต้อง แก้ด้วยการหยุดความอยากของเราหยุดความอยากที่เราจะไปหาสิ่งต่างๆมาแก้โจทย์ของเราวิธีแก้โจทย์ของเราก็คือตัดความอยากทุกครั้งอยากจะได้นะก็ต้องตัดมันให้ได้หยุดมันให้ได้ถ้าเราหยุดมันได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปหายไปพอไม่มีความอยากเล้วใจก็จะหายจากอาการปวดขีด้ายจากอาการซึมเศร้าเศร้าห้องอะไรต่าง เพราะว่าตัวที่มาสร้างความความทุกข์แบบนี้ก็คือตัวความอยากนี่เองเพราะไม่มีความอยากใจก็สงบเหมือนเหมือนขณะที่เข้าสมาธิแต่อตอนนี้ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วใช้ใช้ปัญญาทําใจให้สงบด้วยการหยุดความอยากต้นเหตุ ข, ของของความทุกข์คือความอยากพอหยุดความอยากได้หมดใจที่โมรหเกลียดลําคาญเศร้าหมองซึมเศร้าอนะไรตาคลายไปหมดเลยอาการเหล่านี้าหายไปหมด เนืงจากใจที่เย็ยนสบายอันนี้แหละคือปัญหาของใจการรู้ขันห้าไม่ได้เป็นการถือว่าเป็นการตอบตอบโจทย์และปัญหาเพราะปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ขันห้าแต่ขันห้าเป็นเครื่องมือที่จะมาทําเป็นตัวที่จะมาแก้โจทย์ของใจคือความเหนืของความความทุกข์ใจ ใจคิดใจอยู่ตามลาพังแล้วมันเหงาก็เลยต้องไปหาอะไรมาแก้ความเหงาก็ต้องไปมีร่างกาย ม, มีร่างกายความมีร่างกายจะได้พาล้างให้ร่างกายที่พ า, าไปหารูปเสียงกลิ่นถดหาลาบลดสรรเสริญ <c oughs> มาแก้ความเหงาใจแต่สิ่งที่ไปหารุนแต่เป็นตัวโจทย์ตามมาทีหลังร่างกายก็เป็นโจทย์ร่างกายก็ไม่เที่ยง ลาบลดสรรสริสุดที่ราหากันมันก็ไม่เทีย่ย <c> ง <oughs> พอไม่เทีย่ยงปั๊บทุกก็ตามมาทันทีการวิธีแก้ปัญหาถึงไม่ได้แก้ด้วยวิธีนี้พระเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้แก้ปัญหาของใจทุกใจแต่คนยุคสมัยที่พระเจ้ายังไม่ดักรู้ก็แก้ด้วยกันหาความสุขจากกามอย่างการมงคลห้าแต่ตัวกายมงคลห้ากลายเป็น เป็นตัวโจทย์ขึ้นมาตัวที่จะมาแก้ปัญหาก็กลายเป็นตัวปัญหาขึ้นมาดังนันในที่สุดตัวเจ้าต้องค้นคว้าหาวิธีก็ค้นคว้าวิธีที่จะแก้โจทย์แก้ความทุกข์ก็คือต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็คือความอยากอยากหาความสุขจากรูปเสียงกินลดอยากหาความสุขจากรูปประชามจากเอรูปประชาม ซึ่งสิ่งเหล่าี้มันร่วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นใจละถ้าไปพึ่งมันแล้วจะต้องทุกข์เวลามันมันมันไม่ตอบสนองความต้องการของเราแต่ถ้าเรากาจัดความอยากทั้งสามนี้ได้ครับไม่มีเตัวอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปใจก็อยู่อย่างสบายอยู่กับขันห้าต่อไปแต่ไม่ได้ให้ขันห้าทำตอบสนองตัญหาตอบสนองความอยาก แต่ว่าเมื่อมันยังไม่ตายเมื่อขันรูปขันคือร่างกายยังไม่ตายก็ต้องอยู่ของมันต่อช่วงที่อยู่นี้ก็ถ้าเป็นพระอาจารย์ท่านก็เอาใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะเนีย่ยพระอุตธจธาไปใช้ขั น, ขนใช้ร่างกายนี้มาสอนธรรมะใช้ขันท่าใช้ทั้งร่างกายทั้งใช้ทั้งนา ม, มาขันด้วยตอนเวลาสแสดงธรรมก็ต้องใช้สัญญาสังขาร คิดตูมแต่งเนื่องธรรมะแต่คิดไปทางธรรมะไม่ได้คิดไปในทางกิเลสแต่พอรูปปั้นดับปั๊บพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะอใช้ขนันหามาแสดงทํารรให้กับพวกเราได้นะท่านก็ยุติการาการเผยแผ่ธรรมขันห้าก็หยุดทํางานรูปรูปปั้นก็ย่อยสลายกลับคืนสู่สภาพเดิม ทำมาจากดินน้ำลมไฟก็คือสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนธาตุรู้ที่ไม่ย่อนเสียายก็อยู่ตามปกติวนไปโดยที่ไม่มีนาำลคันน้ำละคันมีอยู่แต่ไม่ทํางานวิญญาณไม่ไปเกาะกับรูปเสียงกินรดเมื่อไม่มีวิญญาณไปเกาะเมตนาก็ไม่เกิดเมื่อเมตนาไม่เกิดสัญญาสังขารก็ไม่ต้องทํางานวิญญากมันไม่เฉยง แต่ถ้ามีวิญญาณไปเกาที่ตาหูจมูกนิ้นกายพอรูปมาสัมผัสกับตาปั๊บมันก็ทําให้เกิดสัญญาทํางานแ ล, ล้วรูปอะไรมันก็รู้ว่าลูกเป็นอะไรลูกดีลูกไม่ดีก็เกิดสุขเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาทันทีมันก็จะทํางานทันทีอย่างตอนที่ทาวโลกอยู่ในคันนี้มันยังไม่ทํางานใ ช, ใช่ไหมเพราะว่าร่างกายยังไม่ได้ออกมาสัมผัสกับ อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกิ่งแล้วปวดท่าแต่พอคลอดออมาจากท้อแม่ปั๊บเนี่ยร่างกายเริ่มสัมผัสกับอากาศที่อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วทำนองอยู่ในร่างกายอุณหภูมิมันจ ะ, ะเฉืน่นยแต่พอมาจากร่างกายนี้ปั๊บมันจะรู้สึกเย็นแล้วร้อนกว่าที่เคยเป็นพอมันไปสัมผัสกับปวดท่ที่แกปกปั๊บมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาทันทีจัด อ, อาการร้อนขึ้นมาทันที เร่งร้องเวลาข้อธรรมมาอาจจะเกิดจากอาการเจ็บที่มีการเสียดสีของร่างกายกับเอาวัยอาไว้อาวัยระเภศของแม่ก็ได้แล้ก็มีอาการเจ็บเจ็บตามร่างกายมันก็ร้องออกมาตอนนั้นนะ่ะขันขันห้างเริ่มทํางานะอนที่ข้อธรมาดูร ป, ประคันเริ่มรับรูปเสียงกินรอดผดทับครับปวดพระเข้ามาพอเข้ามาพระวิ ญ, ญญาณก็ทํางานกระตุน้นวิญญาณให้ทํางาน วิญญาณก็ไปกระตุ้นสัญญาให้ทำงานพอสัญญาทางนานสังขารก็ทํางานขึ้นมาเวทนาก็ทํางานขึ้นมาพอเกิดสุขทุกเวทนาขึ้นมาก็สังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเกิจะทุกเวทนาก็ร้องไห้โหยนนี้คือเรื่องของการฆ่าคือตัวเราเนี่ยพวกเราทุกคนเป็นกันฆ่าแต่การฆ่า น, นี้ไม่ใช่เป็นคนคนเดียวเป็นสองคน เป็ น, นส่วนที่เป็นรูปรูปประคันกับนาประคันรูปประคันเรามองเห็นได้กันนาประคันเรามองเห็นไม่ได้แต่เราเรู้ด้วยใจได้ว่ารู้รว่าเรามีนาประคันเรารู้ว่าเราจําได้จำเรื่องนั้นจําเรื่องนี้ได้เรารู้ว่าเราเห็นเราเห็นรูปเสียงกลิ่นได้ก็เพราะเรามีวิญญาณทําหน้าที่รับรูปรับรูปเสียงกลิ่นที่มาทางตาจะบอกกับกายเรารู้ผ่านทา ง, ทางใจเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่เราก็จะมาว่ามันอยู่ในร่างกายทั้งกายและใจอยู่อยู่ในในร่างกายมาว่ามว่าใจนด้อยู่ที่สมองเนี่ยความคิดอยู่ที่สมองความจาอยู่ที่สมองแต่ตามหลักธรรมแล้วมันไม่ได้อยู่ในอยู่ในสมองสมองเพียงแต่ทำหน้าที่ประสานอาจจะรับข้อมูลต่างๆมา้ากจากต า, าหูจะมูกนิ้วกายแล้วส่งไปให้วิญญาณอีกที นะคือสั่งการคือใจผู้รับรู้ริ่มเสียงเกิดวัตถุผ่านมาทางสมองเข้ามาทางวิญญาณนี่คือคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่อาจารย์ครับตอนศึกษาเรื่องรูปนามนี้พอได้อ่านได้ฟังก็พอเข้าใจนะครับแต่ผมคิดไปถึงพระพุทธเจ้าที่คนพบนี่ไม่ไม่มีทางที่คนธรรมดาจะคิดได้ด้วยตรร ก, กะเลยนะครับอาจารย์ ก็ <K ill ain> มีนักวิทยาศาสตร์ก็คิดเรื่องนักกฎองฟิสิกได้เหมือนกันเขาก็เขาก็มีปัญญาเช่นนิวตันก็นคนโต๊ะแรงนึ่งดุขอ ง, งโลกทําไมผลมไม้ลวกจากพอดูดออกจากขั่วแล้วทำามมันไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าทำไมมันตกลงมาม่าใช้ตรากะคิดเหมือนกันแต่มันเป็นทางนูก ป, ประธรรมแต่ทางธรรมธรรมานี้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะทําได้นอกจากพวกที่ไปเป็นนัก บ, บวชแล้ว ครับเข้าสมาธิได้ะเขาจะเข้าใจะเห็นนามมาทำแล้วถ้าเขาคิดฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเขาก็จะคิดคนนริยสัตว์สี่ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก่อนพระพุทธเจ้ามีคนรู้เรื่องเรื่องขันห้านี่ไหมครับอาจารย์ก็มีเพราะว่าขันห้าก็มีมีพวกนักบวชกันรู้กันเนี่ยรู้อยู่แล้วนับวชทางตารู้อครูบาอาจารย์ที่รู้จักไปศึกษาเราะวก็รู้ว่ารูปประการับนามประการนี่มันก่อนาส่วนกัน แต่เดินกขาไม่รู้ว่าอะไรไปทําให้ใจทุกข์เท่านั้นเองอ๋อ oh. รู้ว่าเวลาใจนิ่งสงดใจก็ไม่ทุกข์แต่เวลาใจออกจากสมาธิมาใจทุกข์แต่ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เหมือนทุกข์ไม่รู้ครับพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ไม่รู้ครับพระอาจารยนครับแล้วอย่างพวกเทวดาพวกเปรตอย่างนี้ก็ไม่ขันไม่ครบห้าใช่ไหมครับมีมีสีขันนามขันเนี่ยมีการมีสี่ขัน ก็อาศัยบุญกอบบาเป็นตัวกระตุ้นให้ให้ให้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเสรในขณะที่ไม่มีร่างกายใช่เวล า, เานอนหลับนี่ร่างกายเราก็ไม่ทํางานทีนี้ใจยังหิวกับรูปเสียงกินลดหยู่ก็เลยใช้ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอนดีตที่จดจําไว้ในสัญญาเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นเรื่องราวที่ ที่ไปทําไว้ที่เป็นเรื่องราวที่ดีก็ผลิตเรื่องราวที่มีความสุขให้ให้ให้เศษได้สัมผัสเช่นถ้าไปทําความดีดตา่างๆไปทําบุญไปทําอะไรไปช่วยหรือคนนั้นคนนี้ทําให้คนนั้นคนนี้มีความสุขอะไรเงี้ยมันก็จะเอาเรื่องที่ดีเหล่านี้มาปรุงแต่งเป็นเรื่องสร้างความสุขให้กับใจได้สัมผัสเป็นเป็นเรื่องของฝันดีไป อยากไปทําบาปไปมีทะละวิวาทไปมีเรื่องมีราวกัคนนั้นคนนี้ไปทำลายคนนั้นคนที่เสิงนั้นสิ่งนี้เวลานอนหลับมันก็จะเอาเรื่องที่วุ่นวายมามารุงแต่กกลายเป็นเรื่องผันไายไปตอนที่เรานอนหลับนี่นอนมาขันยังทางานอับแต่ไม่วิญญาณวิญญาณไม่ได้ทํางานวิญญาณก็เอาเอ า, เอาหมายถึงวิญญาณขันมันมันไม่ได้ ติดกับตาหงจมหงเลี้ยงกายตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ทํางานแต่มันก็ยังติดอยู่กับธรรมารมณ์ที่มีอยู่ในใจมันก็รับรู้ธรรมธรรมารมณ์แล้วก็ที่ประดิษโดยสัญญาสังขารที่ที่เกิดจากบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ในในตอนที่ตอนที่ติ่นตอนที่เราไม่ได้นอน่ะ วันวันหนึ่งนี้แหะจะมีโอกาสทําบุญมากมาเวลาทําบาปบ้างมาเวลาแล้วมันก็จะจดจําไว้ในในใจของเราแล้วพอเรานอนหลับเนี่ยใจเราไม่ได้รับรู้เสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เปลี่ยนมารับรู้เรื่องของสัญญาสังขารปรุงแต่มครับมันก็ไปจําเรื่องที่ไปทํามาเมื่อวานนี้เรื่องเมื่อปีที่แล้วเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ เรื่องหนที่มันมีกําลังมากมันก็จะเป็นตัวโผล่ขึ้นมาหรือถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปมันก็จะมีเรื่องบุญเรื่องที่ดีๆโผล่ขึ้นมาถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีโผล่ขึ <Okay. S 1> ้นมาก็ทําให้เกิดเป็นฝันดีฝันร้ายขึ้นไปในขณะที่เรานอนหลับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ในขณะที่เราตายเหมือนกันตอนที่เราตายกับตอนที่เรานอนหลับนี่ไม่ไม่ต่างันต่างกันตรงที่ว่า นอนหลับนี่เป็นการตายชั่วคราวตายเพียง8ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงสุดท้ายแต่จะนอนกี่ชั่วโมง แ, แล้นก็เหมือนคนตายร่างกายเป็นคนตาย ไ, ม, ไ, ม, ไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรเวลาที่ร่างกายตายจริงๆมันก็เหมือนนอนหลับเลยเพียงแต่มันหลับยาวหลับไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีพันปีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ดุลเบาที่เราผลิตไว้มันจะ มัจะผลิตเรื่องราวต่างๆให้ใจเราเสกได้นานเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องบุญใจก็เป็นสวรรค์เป็นเทพไปถ้าเป็นเรื่องบาปใจก็เป็นอบายเป็นเปรตเป็นอะไรไปหรืถ้าได้ไปได้ไปเกิดได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์ในราชาครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวจะถามจากคําถามเพื่อนๆบ้างนะครับ พี่สมพรครับบอกว่าอยากทราบว่าตอนที่คุณหมอเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีคนใส่บาตรกี่คนโยมสงสัยมานานมากว่าพระอาจารย์นับจํานวนได้อย่างไรครับตามด้วยความอยากรู้ครับอ้าวพราะนั่งไปเฉยเขาคนใส่บาตรแล้วก็พองเห็นเนี่ยโยมมาสีห้าคนแล้วก็รับมาสีห้าคนมาใส่บาตรกลุ่มนี้สี่ห้าคนไปถัดต่อไปสองคนนะบวกเข้าไปห้าเป็นเจ็ดนี่มาคนเดียวก็เป็นแปด นี่มาสามคนก็เป็นสิบเมตก็บวกไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆเราไม่มีอะไรต้องทำํำเลยเราก็เลยใช้ใช้การนับนี้เป็นการเจริญสติไปในตัวไม่ไปคิดปู่แตกเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันทํามันจนติดเป็นนิสัยมันทํามันต่างแต่เริ่มต้นเลยมันก็เลยเกิดมาจนถ้ามันติดเปน็นนิสัยไปแต่ปัญหาตอนนี้มัน ลําพัตอนที่มันอยู่ที่พอนับเสร็จเขาเริ่มเบื่อบายถ้าไม่พยาย า, ยามย้ํามันจะลืม ต, ต้องย้ําย้อนอยู่เรื่อยๆสักพักหนึ่มันให้มันฝังอยู่ในใจถ้าไม่ยม้ําเดี๋ยวลืมแล้วให้มันนิดนับได้เท่าไหร่มันลืมอันนี้ลืมไวเพราะเพอเพรได้ยอดนะ้อนแล้วต้องคอยย้ําอยู่เรื่อยๆย้ําอยู่หลายหลาครั้งให้มันจดจนะํานี่มันจะมันลืม อาจารย์ครับอย่างนี้สมองเนี่ยเป็นส่วนที่เหมือนกับเป็นตัวถูกใช้งานแต่ไม่ใช่ตัวที่สัญญากตัวที่ตัวที่รับรูปเสียงถี่รดเข้ามารครับครับรูปคนเข้ามาเนี่ยเราใช้สมองเป็นตัวที่สั่งการให้ครับให้ร่างกายไปรับรูปเสียงถี่รดเข้ามาเป็นตัวที่มาเป็นตัวเชื่อมระหว่างวิญญาณกับกับตาหูกับต า, บตาครับอวัยวะตานี้ต้องมีสมองเป็นผู้สั่งการให้ทํางาน ครับแต่ผู้ที่แยกแย้ะว่าเป็นรูปอะไรนี่เป็นเป็นใจหรือผู้แย ก, แยก้ยครับคือสัญญาไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในในสมองครับเพราะงั้นเราจะเราจะเลิกกำลิศตรชาติได้ไงใช่ไหมรเราได้นางกายมัใหม่เนี้แต่สมองม<ช>ันใหม่มันจะไปจำมันจะไปจําชาติก่อนได้ยังไงครับผูบ้ที่จําชาติก่อนได้ก็ต้องเป็นใจ นสัญญาที่มีอยู่ในอยู่ในใจเนครับผมที่เมื่อตอนก่อนมีข่าวครูบาอาจารย์เป็นโรคสมองเสื่อมสมองฝ่ออย่างนี้ก็มัเนมมเป็นสมรรถภาพมันเป็นสมรรถภาพของร่างกายทางสมองมที่มันไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปให้กับใจได้อยียบถูกต้องครับผมอันนี้กายจะทำให้เกิดความจำเสื่อมขึ้นมาได้ แต่ความจำที่มีอยู่ในสัญญานี่มันไม่มันไม่เสื่อมแต่ความจำใหม่นี้เข้ามาเนี่ยมันมันอาจจะเสื่อมได้เร็วอย่างที่น่าให้ฟังเนี่ยพอนับยอดเสร็จแ้วนีมันลืมมันถ้าไม่ไปจดจำมันไม่ต้องไม่ย้ามันบ่อยๆนี่มันลืมได้เร็วอันจะเป็นเพราะสมองมันเสื่อมลงไปได้สมองที่คอยคอยเอาข้อมูลนี่สมบมาให้ใจนี่มันมันมันมันเสื่อมมันทำให้ความจำนี่หายไปเร็วครับผม แต่เราต้องแก้ใ น, นการใช้สติย้ำมันคิดสังขารปูแต่งก็เริ่มใหม่สี่ร้อยยี่สิบสี่สี่รอยยี่สิบสี่สี่ร้อยยี่บสี่ท่องไปเรื่อยๆพอจําได้แล้วทีนี้ก็หยุดทํานะวันนี้มีสี่คนจำได้ แ, แต่ถ้าไม่ทํางจำเพียงแต่นับเสร็จป๊อแล้วไม่ไ ม, ไม่ย้ำต่อลืมได้เลยทาได้พอไปคิดไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไอไอตัวเลขนั้นลืมไปเลยก็มีเครเคยนับว่าจาไม่ได้ครับผมีแต่ถ้าคอยย้ํายู่นี่ได้ ต้องคอยย้ำคนที่มีเวลาสั้นมากก็ไม่คอยย้ำเพราะตัวเองต้องทำอะไรมากแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราคอยย้ำสอนใจนะตอนนี้ต้องทําไม่ดี่นะตอนนี้ต้องทําไม่นั่นนะเวลาเนี้ยต้องทําไม่นั่นวันนี้วันอะไรต้องคอยย้ำคอยเตือนทุกวันนี้เรต้องคอยย้ำคอยเตือวันนี้วันจันทร์หรือวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราวันจันทร์เราทำอย่างหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์เราทำอีกอย่างครับ มันต้องคอยย้ำต้องคอยเตือนคอยสอนคอยบอกใจครับมันทำไม่ลืม ค, ค, คุณสุวัตรครับกราบสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับอสังขัตตธรรมและขอสอบถามสภาวธรรมระหว่างการปล่อยวางและความว่างแตกต่างกันอย่างไรครับคืออักรขัตรธรรมนี่ต้องขอผ่านเนะพราะเราไม่รู้ภาษาบาลี ไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนส่วนสวนาะธรรมที่การปล่อยวางกับความว่างนี้การปล่อยวางก็คือใจเราไม่เอาไปไม่มไม่ไปแบกอะไรใครพูดอะไรพับก็ปล่อยวางทันทีแม่เอมันมานคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นใครดา่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วตอนตอนนี้ยังมานั่งคิดอยู่นี่แสดงว่าเราไม่ปล่อยวางว่าจะ คำพูดของคนนี้ก็พูดตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วเช่นเขนาด่าเราไอ้เหี้ยเนี่ยขออภัย <laughs> โกรธแล้วเขาวนนั่งคินอยู่ทำไมมันทำไม่มาด่าเราทำไมด่าเป็นตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ยังคินอยู่นี่แสดงว่าไม่ปล่อยวางถ้าปล่อยวางก็จะทำลืมเลยพอพูดปับ <laughs> ป๊บเหี้ยปั๊บผ่านไปปั๊บก็ลืมไปเลยไม่คิดถึงมันอีกอันนั้นเก็ปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างใจเราก็จะว่างใจเราจะไม่เอาอดีตเข้ามา ไวในปัจจุบันนาจะไม่เอานาคตมาไว้ในปัจจุบันปัจจุบันก็จะว่างว่าอะไรเกิดขึ้นแป๊บหนึ่มันก็ดับไปทันทีนางมันจะว่างอย่างแท้จริงก็คือเวลาเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธินางมาทำก็หยุดทํา ง, งานรูก ป, ประทานก็หยุดทํา ง, งานขันห้าก็หยุดทํา ง, งานปัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดก็หยุดทํา ง, งานเมื่อมันหยุดทํา ง, งานก็ว่างเหมือนจอทีวีที่เราปิดเครื่องแล้วนะ พอปิดเครื่องจอก็ไม่มีรูปให้เราเห็นใช่ไหมรูปต่างๆเสียงก็ไม่มีแะอันะั้คือเวลาเข้าสมาธิใจเราก็จะว่างเหมือนจอทีวีที่เราปิดไว้แต่พอเราเออกจากสมาธิมาก็เหมือนเปิ ด, เ ป, ดเปิดเครื่องทีวีใหม่พอเปิดปั้มภาพแล้วภาพเสียงก็เข้ามาทันทีพอเราเออกจากสมาธิปับ๊บเข้ามารับรูปรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาทันทีวิทยาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทํางานงทันทีครับ คุณสุพิญญาครับเราจะรู้และปฏิบัติแบบไหนที่เข้าใจง่ายๆว่าวนี่คือรูปนี่คือนามเจ้าคะคือเราต้องมีเครื่องมือก่อนไงเครื่องมือที่เราต้องมีก็คือสตินะเราต้องฝึกสติให้ได้ก่อนฝึกสติเพื่อหยุดคิดให้ได้เมื่อหยุดคิดแล้วเราจะเห็นความต่างระหว่างเวลาที่มีความคิดกับเวลาไม่มีความคิดแล้วต่อไปเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม แต่ถ้าเราไม่หยุดคิดเนเราจะไม่สามารถมองเห็นความตกได้ขณะที่มีรูปในขณะที่มีนามทำงานอยู่เวลาที่นามไม่ทำงานนี้เป็นยังไงเราจะไม่คุณลองทีมครับมีวิธีการแยกขัน5้ารูปนามยังไงครับรอาจารย์ต้องพิจารณาอะไรก่อนก็เบื้องต้นต้องยากด้วยการเข้าสมาธิ เวลาเข้าสมาธิเราจะแยกใจใออกจากร่างกายวิญญาณจะถอนออกมาจะละนการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพะไว้เชื่วเก่าเราสัญญาสังขารความคิดปลุกแตกความจําได้ไม่รู้กระเวรนานก็จะหยุดทํางานไปใจก็จะว่างเนือแต่พูดรู้ศักแต่ว่ารู้ไปก็จะรู้ว่านี่คือใจตัวรู้ส่วนตัวร่างกายที่ทําหน้าที่รับรู้เสียงกลิ่นตอนนี้มันก็เป็นอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้นั่นเราเราแยกมันเราแยกใจออกจากตัวนี้เราจะได้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้มันคนละส่วนกันนี้งคือแยกยา ก, ยากรูปกับนามออกจากกันแยกใจออกจากร่างกายแล้วพอเราออกจากสมาธิมามันก็กลับเข้ามารวมกันใช่ไหมครับวิบ ญ, ญญาณก็มาเกาะติตตาหองจมูกเลี้กายแล้วก็มาแล้รู้รู้เสียงกินแล้วก็มาคิดปรุงแต่ง ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยเตือนว่าร่างกายกับใจไม่คนละคนนะใจเป็นนายร่างกายเป็นบาอใจารย์เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอายไปกับร่างกายแยก น, น, นี้เวลาร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บด้วยเจ็บที่ร่างกายอย่างเดียวคนละคนกันน้ำพายสอนอย่าี้เรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย เพาะใจเป็นอีกคนหนึ่งแต่ใจเป็นเราคิดว่าตอนนี้นนเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นแลใจก็ทุกข์ไปกับอาเป็นไปของร่างกายนั่นเีงซึ่งส่วนนี้เราสามารถแก้ได้คือแก้ไม่ให้ใจไปทุกข์กับร่างกายได้ถ้าเราคอยเตือนใจให้รู้ว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนเหมือนคำว่ากับกเราตอนนี้เป็นคนละคนก็อตอนนี้หมอเกิดปวดศีรษะร้องโขกขึ้นมาเราก็เฉยเฉยใช่ไหมเราก็นั่งดูหมอน้องไปเพราะเรารู้ว่าหมอไม่ใช่เรา มันจะเป็นเหลือร้อนอทำไมอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องฝึกแยกใจากับกายให้เป็นเหมือน เ, อเป็นคนสองคนคใจเป็นคนดูคนรู้ว่าร่างกายกำลังทําอะไรกำลังเป็นอะไรร่างกายไม่รู้อะไรมันเป็นเหมือนรถโยนมันเป็แต่เป็นผู้รับใช้คนขับคนขับสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งไปมาวิ่ง ไ, ไปไหนมันก็ทําตามคําสั่งหมดเวลารถมันเสียมันก็เสียที่รถคนขับไม่ได้เสีย แต่คนขับกลับไปเสียกับรถเพปวดหัวแล้วสทุกข์แล้วิต้องเสียเงินเสียทองต้องเสียเวลามันมาทําให้เกิดอขัดขัดกับผลประโยชน์ที่ใจกำลังต้องการมันก็เลยทําให้ใจทุกข์ขึ้นเวลารถเสียรถยนเสียเวลาร่างกายเจ็บก็เหมือนกันเพราะร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่ได้ใจก็ไปทุกข์ลวเพราะเคยใช้ร่างกายพาให้ไปทํำนู่นทํานี่ได้พอร่างกายมัน มันช้ำรุด ม, มันไม่สลายทําหน้าที่ของมันไม่ได้ใจก็เลยทุกเพราะใจไม่อยากให้ร่างกายมันช้ำรุดทสุดๆอยากให้ร่างกายตอบโจทย์ของใจอยู่ตลอดเวลาพอร่างกายไม่ตอบโจทย์ใจทุกขึ้นมาใจก็เหนื่อยนอนคุณสุภาพงค์ครับ มอร์ฟีนที่แก้ปวดให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นผู้ป่วยยังมีสติหรือเปล่าคะแล้วการภาวนาพุทโธพุทโธตอนได้รับยาจะมีสติหรือเปล่าคะตอนนี้เราก็ไม่รู้เนื่อเราไม่เคยใช้มอร์ฟีนมาก่อนครับสติมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายคนที่มีสติมันก็มีสติคนที่ไม่มีสติมันก็ไม่มีสติถึงต้องฝึกสร้างสติกันขึ้นมาถ้ามีคนที่มีสติสามารถ รักษาสติให้อยู่ไม่ให้หายได้ก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะจะจะอะไรเป็นอะไรมันก็มีสติรับด้วยตลอดเวลาคุณสมพรครับการนั่งสมาธิที่แท้คือการนั่งดูจิตดูกิเลสตัวเองแล้วเอาความรู้ทันกิเลสไปฆ่าทำลายเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ คือก็ถูกส่วนหนึ่งอนะแต่ส่วนแรกที่ต้องการนั่งนั่งเพื่อให้จิตสงบให้นิ่งให้อยู่จิตมุมเด็กให้จิตมีความสุขกับความสงบอันนี้เป็นผลแรกที่เราต้องการนั่งให้จิตสงบให้จิตมีความสุขจิตจะได้ลดละลดละ ก, กิเลสที่จะไปหาความสุขจากสิ่งอื่อภายนอกได้ถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะไม่ค่อยหิวหลอกทารที่ไปดูไปฟังไปเที่ยวไปกินไปเดิน แล้เราก็จะเเห็นโทษของกิเลสต่อไปถ้าเราใช้ปัญญาเห็นว่าตัวที่ท้าให้เราไปวุ่นวายก็คือตัวกิเลสเองแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปตามทำตามกิเลสแล้วเราอยู่ยืนอยู่ในสมาธิสบายกว่าถ้าไปตามกิเลสเนี่ยออกไปนอกบ้านก็ต้องเสียเงินเสียทองต้องขับรถต้องเตรียมอะไรตา่างๆแล้วก็ไปติดบนท้องถนนรถติดก็เกิดงานหงุเหงิดแล้วกนนี้ไม่ดีก็เกิดกระแทกกับคนขับที่บนท้องถนนด้วยกันเอง กายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกให้เราออกไปข้างนอกกันออกไปหาความสุขข้างนอกกันแต่พอเรามีความสุขข้างในเราก็ไม่ต้องออกไปมันก็จะเห็นเองมันจะเห็นมันก็จะศึกษาแล้วมันก็จะเข้าใจว่าทําทําตามกิเลสไม่ได้เพราะการทํ า, าทตามกิเลสพาให้เราไปสู่ความทุกข์พาให้เราไปสู่เรื่องวุ่นวายต่างๆการไม่ทําตามกิเลสก็ต้องมีกำำําลังคือต้องมีความสงบ เป็นที่พึ่งเป็นที่อยุดกินเลยคุณสกัญญาครับกายในกายและกายนอกและกายในหมายความว่าอะไรครับกายในก็หมายถึงร่างกายของเรากายนอกก็ร่างกายของคนอื่นเวลาเราพิจารณาร่างกายเราเราพิจารณาทั้งขร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นเพื่อเราจะได้รู้ว่าเหมือนกันไม่มีความต่างกันท่เวลาเราพิจารณา อ, อันนี้จำไม่ทิ้งครับเกิดแก่เจ็บตายนี่เราก็เกิดแก่เจ็บตายคนนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายคนนี้ก็เกิดแก่เจ็บตายให้ครอบคุมทุกร่างกายทั้งของเราและของผู้อืนส่วนคําว่ากายในการนี้มันอาจจะเป็นการแปมาจากภาษาบาลีตามศัพท์แต่คำที่ก็ให้พิจารณากายนี่พิจารณาร่างกาย คุณพนทิภาครับถ้าขันห้าขาดรูปไปมีผลต่อเนื่องกับมรแปดด้วยใช่หรือไม่คะไม่มีมรแปดยังทำงานได้อยู่เพราะมรแปดทํา ท, ที่ใ จ, จเช่นเทวดาก็บรรลุมรผลทิพาได้เช่นผู้ธรรมดาไม่มีร่างกายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เพราะการบรรลุใช้สัญญาสังขารเป็นตัวพิจารณาเป็นตัว น า, นาคุณวีนาครับคนที่ไม่ได้มาเกิดอีกอยากทราบว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนคะเขาอยู่ที่เดียวกันนะจิตไม่มีไม่มีการเคลื่อนเวียนที่ย้ายที่จิตเพียงแต่เปลี่ยนสภาพจากจากหิวหหยกลายเป็นจิตที่อีกนั่นเองเหมือนคนที่อิบตลอดเวลาก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปกินข่าวนะใช่ไมครับครับอันนี้ก็เหมือนกันจิตของคนที่ ที่หลุดพ้น้วคนที่ไม่มาเกิดแล้วเป็นจิตที่อิ่มแลไม่หิวกับลูกเสียงกินรด้เมื่อไม่เหิวกับลูกเสียงกินแล้วก็ไม่ต้องไปหาร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือมาใช้เพื่อไปหาลูกเสียงกินแล้จิตก็อยู่ที่เดิมจิตไม่ไม่มีรูปร่างหน้าตามจะเรียกว่ามันมีสถานที่มันไม่มีมือนล่างกายร่างกายมันต้องมีมีสถานที่ตั้งมันจะตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนั้นแต่จิตมันไม่มีมันอยู่ในโลกที่ พูดอะไรกันแน่ว่ามันอยู่อีกโลกหนะึ่งอยู่ในมิติหนะึ่งดังนั้นมิตินั้นมันไม่มีมันไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาของของจิตดงั้นในมิตินั้นอะ่ะมีจิตกี่แสนล้านดวงมันก็อยู่รวมกันได้ในจิตในมิตินะคุณกรครับขันห้าไม่ใช่ของเราและเราไม่ใช่ขันห้าแล้วทําไมเราถึงเข้ามาอยู่ในทั้งขันทั้งห้านี้ได้ครับเพราะความหลงเลยทํา เราเป็นหงคิดว่าเป็นเราเท่านี้เองเราไปคิดว่าร่างกายเป็นเรามันไม่ใช่เป็นเราเราไปคิดว่าวิถนาส尼亚สัตยานเป็นเรามันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นสภาวะธรรมมันมันเป็นสิ่งที่มีของมันอยู่ของมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เหมืนคําโลกเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไปว่ามันแบนใช่ไหมคนสมัยก่อนว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปว่าร่างกายเป็นเรา พอมีผู้เจ้ามาตัดสรู้บอกไม่ใช่นั่นกายไม่ใช่เราก็เหมือนกับคนทาวิทยายศาสตร์ที่มาพิสูจน์ว่าโลกนี้เป็นแบบโลกนี้เป็นโปรต์การที่เราไปคิดว่าเราเป็นเพียงความคิดเป็นจินตนาการเท่านั้นเองใจเราจะคิดอะไรก็ได้คิดว่าเป็นเราไม่เป็นเราก็ได้อยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เราไปเชื่อมันหรือไม่เชื่อมันอัญหาคือเราไปเชื่อมันอย่างฝังใจเพราะทุกคนเชื่อแบบเดียวกั น, นก็เลยเชื่อตาม มันคนสมัยก่อนม็เชื่อว่าโลงนี้แบ่งมันก็เชื่อต่างๆกันมาเรามีนักวิทยาศาสตร์คนเจริญมาค้างก็กลับโดนต่อต้านนะตรงตอนนี้อาจจะโดนต่อต้านหาว่ามาพูดความเท็จมันงท้ายที่สุดเขาเอาพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกนี้มันตรงคุณสมพรครับโยมพยายามจะบริกรรมพุทโธให้อยู่ในจิตทุกขณะ แต่ก็หลุดลืมบริกรรมมากกว่าบริกรรมต้องแก้ยังไงครับการที่โยมลืมบริกรรมแสดงว่าโยมไม่มีสติหรือเปล่าครับก็ใช่แต่ต้องให้ถ้ามีสติมันก็ไม่ลืมเลยเน้นต้องพยามฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้มันเหมือนเดันหันยืนนะหันยืนหันเดินนะยืนขึ้นมาได้สองก้าวแล้ล้มลงไปไม่เป็นไรพอล้มลงไปก็ลุว่าล้มก็ลุกขึ้นมายืนใหม่พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติมันก็จะมีเพิ่มยาวขึ้นยาวขึ้นไป ใหม่ๆนี้แค่สองสามวิก็หายไปแล้วอะไม่เป็นไรเพราะรู้ว่าหายก็กลับมาพุโทโธใหม่การพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ทีนะั่นต้องพยายามต้องอย่าท้อแท้คุณขนถามครับถ้าคนเรากลัวตายต้องทํำยังไงครับอาจารย์การวิธีหยุดความตายก็หยุดคิดถึงความตายเวลาเกิดกลัวความ ก็คิดถึงความตายขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธท่องอยู่พุทโธพุทโธพุทโธพอท่องอยู่พุทโธมันก็จะทิตถึงเรื่องของความตายไม่ได้มันก็ความกลัวตายก็จะหายไปเชี่ครับพอเราทำทำมนุษย์ระดับนี้ได้แล้วเรามีสติพอแล้วก็ใช้ใช้สติมาสอนใจให้คิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนแล้วก็เราไม่ได้ตายกับร่างกาย คุณสิรินครับเพราะจิตนี้มีกายเลยทำให้ยึดติดในขันห้ารูปนามทำให้เกิดทุกขวเวทนารู้ทั้งรู้ก็ยังทุกข์การาบหลงพ่อชี้นําทางให้ลูกด้วยค่ะก็เนี่ยแหะปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้ฝึกสติให้หยุดคิดแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตแยกออกจากร่างกายพอเราสามารถแยกจิตออกจากร่างกายไนดะ้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าร่างกายกับเราเป็นคนคนละส่วนกัน เราอยู่ที่ใจมีที่ความคิดแล้ว เ, เกิดมาจากความคิดพอจิตคิดว่าเรามันก็เกิดเราขึ้นมาเลยพอจิตหยุดคิดเราก็หายไปยความจริงจิตก็เหลือแต่จิตกับร่างกายแล้วถ้าจิตทั้งร่างกายก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ต้องเียอมรับสภาพเส้นทางเดินของของร่างกายร่างกายมันก็ต้องไปเดินไปสู่ความตายของทุกร่างกาย ส่วนจิตก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตถ้ายังมีกิเลสก็จิตก็ไปตามวาระของจิตไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่จิตได้สร้างไว้ทําไว้มันก็มีแค่นี้เรื่องชีวิตของเราเมือยู่สองส่วนร่างกายก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องแกจ่จิตตายจิตถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็ยังต้องไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้อยูแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่ต่อไป เป็นการเราจะสามารถตัดคํามอยากทั้งหมดให้บหมดไปจากใจได้แล้วจิตเราก็ไม่เป็นเกิดอีกต่อไปคุณหลินครับผู้อาจารย์คะหนูพูดในแนวอวัยวะร่างกายที่ได้ผ่าตัดตั้งแต่เทา้าถึงสมองจนอวัยวะไม่ครบสาวที่สองหนูกล่าวถึงรูปกายถ้าให้เปรียบความเจ็บป่วยด้านความคิดหรือเจ็บป่วยทางจิตใจจะเปรียบเทียบกับความเจ็บป่วยของอวัยวะร่างกายจะเปรียบเหมือนกันไม่ได้ป่วยกายกับป่วยใจคนละอย่าง เราคิดถูกไหมเจ้าค้าถูกอาการป่วยการนี้เกิดจากการบกพ้องรของอวัยวะต่างๆอะไรเกิดการป่วยขึ้นมาอย่าการป่วยใจนี้เกิดจากความอยากของใจก็เกิดจากกิเลสตัณหาอยากได้รู่นอยากได้นีพอไม่ได้ก็ป่วยเศร้าใจเสียใจขึ้นมานั้นรักษาวิธีรักษารักษาคนัะอย่า ก, กัน <c oughs> ป่วยกายก็ต้องใช้วิชาของแพทย์รักษาไปป่วยใจก็ต้องใช้วิชาของพทะเจ้า คือพยายามตัดความอยากหยุดความอยากให้ได้ด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้ามีสติสมาธิปัญญาเราก็จะมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากรักษาอาการป่วยใจให้หายไปได้อย่างเส้นเชิงคุณจุธาทิพย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ถ้าเราพิจารณาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถเห็นว่าไม่ใช่ของเรา เราควรพิจารณาส่วนนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราใช่หรือไม่คะคือการพิจารณาว่าอะไรไม่ใช่ของเรานี้มันต้องรอให้เรามีสมาธิก่อนให้เราแยากแยกใจกับร่างกายให้ออกเป็นคนละส่วนด้วยด้วยสมาธิได้ก่อนแล้วเราถึงค่อยมาตอบย้าความจริงอันนี้เวลาที่เราเอา เอาเอาตัวเรากลับมารวมอยู่กับร่างกายเราก็ต้องคอยสอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเนะีทั้งร่างกายนี่แหละทั้งสามสิบส อ, องควาการนี่มันไม่ใช่เรามันเป็นเหมือนนอตยนเราไป็เหมือนคนขับนะต้องสอนแบบนี้นะก่อนจะสอนแบบนี้ไดนะ้เราต้องเห็นภาพชัดเจนก่อนเห็นภาพของร่างกายกนะับใจนี้แยากันเป็นคนละส่วนไปก่อนด้วยสมาธิต้องเข้าสมาธิก่อน ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ความคิดของเราก็จะไม่มีน้ำหนักเราคิดดว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่มันไม่มันไม่ตอบย้ําเหมือนกับตอนที่เราได้เห็นความเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราในขณะที่เราเข้าสมาธิกันเห็นแต่ว่าถ้าเราออกจากสมาธิเราไม่ตอบย้ําเราลืมได้เราจะลืมแล้วกลับมายึดมาคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่พอเออกจากสมาธิมาแล้วถึงถึงเวลาที่เราจะใช้ปัญญามาคอยตอบย้ํา ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นอนิจจ่าไม่เที่ยวเราห้ามมันไม่ได้สั่งสั่งมันไม่ได้มันจะต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติหมดแต่เราไม่เป็นไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายไปกับมันเราก็เป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมการเจริญวิปัสสนาและปัญญารรมพุทธศาสนาเนี่ค่ะดขาดสนาที่ไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมันไม่เห็นภาพความเป็นจริงเขาง้างกายอาจจิตใจ มันไม่เห็นมันจะมานั้งจริงมันอาการยังไงมันก็ไม่จะบอกว่ามันไม่ใ็นตัวเราปิดสารครั้งละครัง้งมันก็ไม่เชื่อมันต้องไปเห็นกับตาด้วยสมาธิก่อนคุณแต้มสีครับหมอที่ฆ่าภรรยาแล้วหันศพแยกส่วนแสดงว่าเขาทำบุญกุศลที่ทำให้มีปัญญาดีแต่จิตใจมีความโหดเหี้ยมต่อเพื่อนมนุษย์ขาด บ, บุญกุศลด้านนี้ใช่ไหมคะ เขาไม่ได้ทำบุญกุศลหรอกเพราะบุญกุศลนี่จะไม่ไปทําร้ายผู้อืเขาอาจจะมีปัญญาแต่ปัญญานี้อาจจะเป็นปัญญาของกิเลสก็ได้คนที่มีสติปัญญาก็สามารถที่จะเป็นผู้นําแล้วสามารถใช้สติปัญญาตรง น, นี้สั่งให้คนไปฆ่าคนเป็นล้านๆคนเลยอย่างฮิเตเลอร์นี่เขามีสติเขามีปัญญาทางโลกแต่เขาไม่มีไม่มีบุญกุศลจิตเขาไม่มีบุญกุศลจิตเขามีแต่กิเลส นี่แต่ความโกรธเกลียดเขาจะฆ่าคนได้เยอะแยะคนที่ฆ่าคนนี้อย่าไม่แยะอย่าไม่ว่าเขามีบุญกุศลถึงแม้จะเป็นหมอเป็นพระราชามหาปสัตย์หรือเป็นประธานาธิบดีนดี้ไม่มีบุญกุศลคนพวกนี้เป็นเพียงแต่คนที่มีปัญญาทางโลกที่รู้จักวิธีที่จะไต่เต้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของเขาเขามีปัญญาทางนี้ถ้าเขามีบุญกุศลเขาจะไม่ทํา อย่าพระพุทธเจ้าเรเนี่ยท่านมีทั้งปัญญาทางโลกและมีบุญกุศลถ้าท่านเห็นด้วยบุญกุศลว่าถ้าใช้ปัญญาทางโลกอย่างเดียวนี่ท่านจะเป็นมหาจากักรพรรดิแต่ท่านจะต้องไปฆ่าคนทำสงค้ามไม่รู้เท่าไหร่ถึงจะเป็นมหาจักรพรรดิขึ้นมาก็เนื่องจากท่านมีบุญมีกุศลท่านเป็นคนที่ใจบุญท่านไม่คิดอยากจะฆ่าคนท่านก็เลยเลือกทางของนักบวชแทน ว่าบอกคนี้มีมีบุญมีกุศลเขาไม่ไปฆ่าภรรยาเขาก็ยกภรรยาให้คนอื่นไปยกสมบัติให้ภรรยาแล้วก็ไปปวดแทนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีบุญมีกุศลนี่ไม่มีบุญมีกุศลม้แต่มีแต่ตัณหาความอยากมีแต่ความโกรธเกลียดชังเลยทําให้เขาต้องไปฆ่าภรรยาคุณมาริสาครับขันห้ารูปนามใช้คําว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวได้ไหมเจ้าคะ เน่นลยก็รูป ก, ก็เป็นร่างกายใจก็เป็นนามก็เป็นใจใจเป็นคนใช้ร่างกายนั่งใช้ให้ร่างกายทำะไรท ำ, ำลาลด้วยความคิดมุกแต่งคุณสัมพันธ์ครับการนั่งสมาธิเราแผ่เมตตาได้หรือไม่ครับการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้ม่ได้การไม่ได้แผ่ด้วยความคิดการแผ่ต้องรอเวลาที่เราไป ไเจอกันบนเท่าถนนแล้วเขาปาดหน้าเราตอนนั้นเราต้องรีบแผ่เมตตาให้อภัยเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเล ย, ไปเลยพี่ไม่ใช่มานั่งสมาธิแล้วแผ่แผ่ให้ใครมันไม่มีเหตุการณ์ให้แผ่มันต้องมีเหตุการณ์มันนี้แผ่ได้เ mm hmm. ช่นคนเขาปาดหน้าเราบีบตาใส่เราเราบอกสาธุสาธุไปเลยพี่อย่างนี้ยแผ่เมตตาไม่ใช่จอดรถ ออกมาเปิดประตูชักปืนออกมานี่มันไม่ได้แผ่เมตตามันแผ่ความโกรธเกลียดกั น, นคนมาเข้าใจผิดที่ว่าต้องมาแผ่เมตตาตอนที่นั่งสมาธิตอนที่สวดมนต์ไหว้พระมันไม่ได้มันไมไ่ใช่เป็นเวลาที่จะแผ่ไอ้ที่สวดนี่นเป็นสวดเพื่อเทศเตือนใจเราสอนใจเราท่านเองว่าไอ้เราต้องแผ่เมตตาแล้วเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์นะี่ แต่เวลาแผ่จริงๆต้องแผ่ด้วยเวลาที่เราไปพคบปากกันพคบปากกันก็ยิ้มยิ้มใส่กันเรียกว่าแผ่เมตตามีความปรารถนาดีอยากให้มีความอยากให้มีความสุขถ้ามีของมาฝากก็ไปฝากก็าสิอย่างการที่เราวา น, นี้ผมไปไปกินอาหารไปเห็นขนมนี่อร่อยก็เลยเื้อมาฝากพี่นี่แผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งแผ่คิดอยู่ในใจขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข มันก็เป็นเพียงแต่ความคิดเั่านั้นเอมันไม่ได้มันไม่ได้แผ่มันไม่ได้ความสุขกับใครเลยแม่แต่นิดเดียวอยาใช้ความสุขกับเขาก็ามีของอะไรไปแจกเขาสิมีของอะไรมีมีของเหลือใช้พี่ผมมีรถสองคันแบกบให้พี่ไปใช้ทั้งคันหนึ่งน <c oughs> ย่าี้ยแผเมตตาไม่ยอมมาแผ่ตอนนั่งสมาธิโอ๊อยเนียคนชาวพูดเรานี่มันโง่ขนาดไหนไว้ต้อปฏิบัติกัน มานั่งสวดแผ่เมตตากันทั่วประเทศเลยแต่เวลาเจอหน้ากันตีกันด่ากันครับคุณสมพรครับการเสพการที่ไม่ได้หมายถึงการพิเศษสัมพันธ์นะครับการเสพ ร, รูปเสียงกินรสมีหลักการมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเสพอย่งมีสติเสพยังมีธรรมะหรือยอย่างไรดีครับการเสพยังมีธรรมะก็คือไม่เสพนะครัเช่นกินข้าวก็กินไปสัมผัสไปแต่ไม่ไปยินดีกับ รูปเสียงกินรสของอาหารถ้ายังมียินดีอยู่ก็ยิ่งให้มาเสกวิธีที่จะแก้ความยินดีก็คลุก ม, มันคลุกอาหารหต่างๆที่เราจะกินอาาที่มันจะไปรวมกันในท้องก็เราก็มารวมกันในจานแล้วในภาชนะแล้วก็คลุก ม, มันพเพราะนี่มันก็ต้องเข้าไปรวมกันในท้องทั้งของขาวทั้งของหวานเลยเอาโกายกใส่เข้าไปเอากาแฟสายเข้าไปแเอาขนมแข้งใส่เข้าไปแล้วก็คนมันแล้วก็ตัดกิน นั่นแหละเรว่าเสกอย่างมีอยังมีสติเสกอย่างมีธรรมะรถ้ายัางแยกอยู่ต้องกินเจ้า ก, ก่อนแล้วต้องกินกาแฟทีหลังตามด้วยน้อเคนอั น, นี้เรียกว่าเสกนะ ค, คุณพอมาร์คครับตอนนี้ที่ต่างประเทศคนชราอายุมากๆสามารถรับยาฉีดเพื่อให้ตายอย่างสงบแล้วแม่ของผมก็คิดอยากจะทําแบบนั้นเพื่อไม่ให้ทุกข์ทรมานด้วยความแก่แบบนี้บาปไหมครับแล้วคนคิดอย่างไรครับ มันไม่สงบหรอกเวลาจะตายคนเรามันไม่มีมันไม่มีทางที่จะสงบมันจะกลัวตายทุกคนถึงแม้ว่ายินดีตั้งใจว่าจะยอมตายพอถึงเวลาจริงๆพอมันจะตายจริงๆนี่มันจะมันจะทุกข์มากเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มันมันทําให้การอยู่ในโลกนี้แบบที่มันทุกข์นี้มันสั้นลงแต่ต้นเหตุของความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเนี่ยปัญหาไปแก่ไปแก้ความทุกข์เวลาที่แก่ ที่แก่ที่มันทุกข์เพราะอะไรหรือเป่าทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถทําตามความอยากได้มันไม่เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากจะทําอะไรอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นมันทําได้พอมาแก่มาเจ็บไข้ได้ปวดนิ้วมอมันมีมนมแต่รอบคอยไปหาหมอไปโรงพยาบาลมันก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ร่างกายไม่สามารถตอบโจทย์ของกิเลสได้ คือความอยากมีความสุขจากการใช้ร่างกายพาไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่เองดังนั้การไปฆ่าร่างกายมันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะตัวปัญหาก็คือความอยากอย่างที่เราพูดถึงกันนี้ที่มาสร้างความทุกข์มันก็เพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ย น, ยนมันก็เพียงแต่คล้ายๆว่าเลื่อเนเลื่อนปัญหาไปพบหน้าท่านเองพอค่าร่างกายนี้ตายไปเนี่ยก็ต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็จะมาเจอปัญหาเดิมนี่ ดั้คนที่ค่าค่าตัวตายเนี่ยมันก็จะไปฆ่าตัวตายซ้าแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆอย่างที่มีคําพูดว่าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วต้องไปฆ่าตัวตายฆ่าร้อยครั้เพราะมันจะเป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกเพราะมันไม่ได้ทําให้ปัญหามันหายไปต้องมาแก้ที่ที่ความอยากด้วยการมาปฏิบททัติภาวนากำริงสติสมาธิปัญญาแล้วหยุดความอยาก ถ้าไม่มีความอยากร่างกายถึงแม้จะอาพิธีการมเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะไม่ทุกข์อยู่หลวงปู่ชอบเนี่ยท่านก็ท่านก็รู้สึกว่าท่านเป็นอามาพิ่มกรรมภาพท่านนั่งนั่งรถเข็นแต่หน้าตาท่านจับสาเบิกบานท่านมีความสุขท่านไม่ไปทุกข์กับร่างกายท่านกับสบายที่ไม่ต้องเดินคนคอยเข็นพาท่านไปไหนมาไหนไม่ต้องทําอะไรเองมีคนมารับใช้ทําให้ทุกอย่าง แต่ใจท่านก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่ทําะไรไม่ตอบสนองเพราะท่านไม่ต้องการท่านไม่ต้องใช้ร่างกายมาตอบตอบอบโจทย์ของท่านแล้วเมื่อท er. ่านไม่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วการมีร่างกายอยู่ในสภาพไหนก็ไม่เป็นปัญหากับใจต่อไปแต่ใจยังหิวยังอยากกับกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่นี้พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมานี่จะเดือดร้อนขึ้นมาอันทีจะไม่อยากอยู่แจะอยากจะฆ่าตัวตาย แล้วก็ไปคิดวาตายอย่างสงบมันไม่สงบหรอกเวลาตายเนี่ยคนเวลาตายเนี่ยจะสั่งมากจะจะทุกข์มากไม่มีใครอยากตายหรอกคุณมิลินครับสภาวะนิพพานของแต่ละบุคคลไม่มีที่อยู่ไม่มีดเมนชันแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ไปอยู่ร่วมกันแต่คงทนถาวร อ, อยู่ด้วยความว่างความสงบนิ่ง ไม่มีสิ่งใดมากวนหรือเจ้าคะก็ใจให้มันอยู่ที่เดียวกับที่เราอยู่ตอนนี้แหละใจของเราทุกคนนี่อยู่ที่เก่ามันไม่มันไม่ได้เคลื่อนที่มันไม่ได้ย้ายที่ใจมันอยู่ที่ของมันเพียงแต่ว่ามันจะส่งส่งกระแสวิญญาณไปก่อนกับร่างกายหรือไม่เทนันเองถ้ามันไปกกอนกับร่างกายมันก็ไปทุกกับเรื่องของร่างกายทุกกับเรื่องที่ร่างกายต้องไปประสบในโลกนี้ แต่ถ้ามันไม่ส่งมาก่อนที่ร่างกายเรื่องราวต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มีในโลกนี้มันก็ไปไม่ถึงใจของคนคนนั้นเท่านั้นเองก็มีแค่นั้นคืนนิพพานอยู่โดยที่ไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายคุณแต้มสีครับ นิพพานเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะหนูเข้าใจว่านิพพานเป็นสภาวะที่รวมเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติขันห้าไม่มาเชื่อมต่อกันเพราะวิญญาณขันดับดวงจิตไม่มีจึงไม่มาเกิดอีกครับนิพพานก็คือจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองจิตนี้มีสองแบบจิตที่บริสุทธิ์กับจิตที่ไม่บริสุทธิ์จิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงก็จิตที่มีกิเลสตัณหาเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ ส่วนจิตที่ได้ชำระกิเลสตัณหาหมดไปก็เป็นจิตที่บ ร, ริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่าที่พานเพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้จะไม่มีความจะเป็นจะต้องไปพึ่งอะไรมาให้ความสุบกับมันมันอยู่ของมันโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแในจิตที่ไม่บ ร, ริสุทธิ์จิตที่มีความโลภความอยากมันจะต้องไปพึ่งร่างกายพึ่งพบพึ่งการเกิดเกิดในภพต่างๆท่านั้นเองต่างแค่ตรงนี้ จะไม่เรียกว่าเป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะทำให <medi atamente> ้ม <Amsterdam> ันมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสาคัญก็คืออยู่ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรจิตของเราบรสุดหรือไม่บริสุทธิาอยากจะได้จิตแบบไหนอยากจะได้จิตบริสุทธิ์หรืออยากจะได้จิตที่ไม่บริสุทถ้าจิตที่บริสุทก็จิตที่ไม่เกิดจิตที่ไม่ชุกถ้าอยากจะได้จิตที่ไม่บริสุทจิตที่มีความโลภความกอดความหึงก็จะเป็นจิตที่ไปเกิดจิตที่ไปไปชุกขกับเรื่องราวทั้ง ก็มีทั้งนี้ที่เราควรจะรู้ไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันสภาวะธรรมอย่างนู้นอย่างนี้หรือไ ม, ม, ไม่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรอาจารย์ครับมีชาวพุทธอินเดียมาแสดงความเคารพอาจารย์ด้วยนะครับ Thank you very much คุณมีนาครับปกติเป็นคนชอบทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นถ้ามีโอกาสอยู่บ่อยครั้งแต่กลับรู้สึกตัวว่าเป็นคนที่หงุดหงิดโมโหง่ายในบางสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจและเกิดความสงสัยว่าเราความเมตตาที่เราชอบทําบุญทําไมยังทําให้จิตเราเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายอยู่คะควรแก้ไขอย่างไรครับเพราะการทำบุญไม่ได้เป็นระ ง, งับเหตุที่ทําให้เราโกรธอาจจะทําให้น้อยลงและเบาลงได้บ้างแต่ไม่หมดนะ ที่ทำให้เราโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละพออยากได้แล้วพอไม่ได้ดางใจอยากก็โกรธขึ้นมานั่นเองเนี่ยเราต้องพยายามตัดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ให้เรายินดีตามมีตามเกิดเขาจะชมเราก็ได้เขาจะด่าเราก็ได้นีเรียกว่าไม่มีความอยากในบุคคลในคำพูดของบุคคลเขาจะพูดดีกับเราก็ได้เขาจะพูดไม่ดีกับเราก็ได้แต่ถ้าเราไปอยากให้เขาพูดดีพอเขาพูดไม่ดีเราก็โกรธเขานั่นเอง ให้มารักคามอยาง ก, กับทุกสิ่งทุกอย่างให้ยินดีกับสิ่งต่างๆตามมีตา ม, ตามเกิดจะมาในรูปแบบไหนรับได้ทุกรูปแบบนั่นจะไม่มีความโกรธคุณดวงพรครับได้บอกว่าได้ปฏิบัติและฟังธรรมจากพระอาจารย์มีสติมากขึ้นและความอยากลดลงนะครับจะปฏิบัติน้่งสมาธิให้มากขึ้นจ้าค่ะต้องปฏิบัติสติให้มากขึ้นด้วยพยายามฝึกสติทั้งวัน ผลเวลานั่งสมาธิจะได้สมาธิที่สงบ ม, มากขึ้นง่ายขึ้นานานขึ้นคุณรัญญาครับถ้าเราไม่ให้กรรมตามทันต้องดับขันธ์หน้าให้หายไปลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าคะ่ะเรางไม่กลับมาเกิดนะสิต้องไม่มีร่างกายถ้ายังมีร่างกายมันก็ยังกลับมาเกิดเนี่ยแล้วกรรมก็ต้องตามมาหลอกแทง คุณช้างครับตอนยังบวชพระอยู่เคยคิดว่าตนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์และประกาศบอกทั้งพระและคารวะแบบนี้จะเป็นการอวดอุตริจะประราชิกหรือเปล่าครับจะสามารถกลับไปบวชได้ใหม่ไหมครับมันก็รัก็ไม่รู้เหมกันว่าเขาจะตัดสินยังไงนะอย่างนะี้เราพูดด้วยความบดยสุดใจเราคิดว่าเราเป็นแต่มันไม่เป็นเหมือนคนที่เขาคิดว่าโลกนี้แบนแต่มันไม่แบนจะว่าเขากหกไหหรือเปล่าเขาไม่รู้ ว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ทางที่ดีถ้าเราเข้าใจกฎระเบียบข้อนี้เราก็ไม่ควรจะพูดจะดีกว่านะเราคิดว่าเราเป็นอะไรก็ให้เรารู้อยู่ภายในใจของเราก็พอเราคิดว่าเราเป็นพระอะก็ให้เรารู้ว่าเราเป็นพระในตัวเราก็พอไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าเราเป็นะถ้าเราเป็นจริงเนี่ยเ้ารู้เองเราที่เราไม่ต้องพูดอะไรเขาจะเห็นพฤติกรรมของเราก็จะรู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็น คุณรับออกแบบครับบอกว่าแล้วที่ครูบาอาจารย์บอกให้แยกขันห้าต้องทําอย่างไรครับยังไม่เข้าใจครับก็เลยให้นั่งสมาธิเพื่อแยกขันห้าก่อนอย่กด้วงสมาธิก่อนแล้วพอแยากได้สมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิก็ใช้ใจิตใจคิดแยกสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ คำถามผู้รู้ผู้คิดต่อเลยครับอาจารย์ใจคือผู้รู้หรือผู้คิดเจ้าคะ่ะหนูเพิ่งได้ยินสองคำนี้มาได้ไม่นานเกิดความสับสนครับก็ใจนี่เป็นทั้งพูดมู้ทํางเป็นผู้คิดอยใจทั้งรู้ทั้งคิดคิดได้รู้ได้มีความสามารถสอย่างนอกจากรู้คิดแล้วยังมีความรู้สึกด้วยมีความรู้สึกสุดทุกข์ด้วยแล้วยังมีความจําได้หมายรู้ด้วยคือมีนามาขันนี่ใจนี้มีนามาขันสิ มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยิ่งแต่ว่าเวลาเราพูดสั้นๆเราบอกเป็นพูดผู้คิดแต่ความจริงเป็นพูดพูด้าาพพมีนามอคติผู้มีรูปสิ่งพู้มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณศิรินครับแม่ของลูกป่วยเป็นมะเรง็งลูกมองเห็นถึงความทุกขเวทนาของแม่เลยมาทําให้จิตของลูกเกิดความทุกข์ตามทําอย่างไรดีคะถึงวางได้การ ท, ที่ลูกก็บอกกับตัวเองว่าเกิดก็เป็นทุกข์ แกก็เป็นทุกเจ็บก็เป็นทุกตายก็เป็นทุกอยากวางจิตให้ว่างๆแต่แต่ก็ทําไม่ได้ค่ะบางครั้งก็ต้องกําหนดจิตต้องพุโทโธเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งเครียดขอความเมตตาพระอาจารย์ไหมครับก็นี่แหละต้องทําจิตให้สงบให้ได้ในการจะทําพุโทโธพุธโทโธให้มากๆถ้าทําพุโทโธอยู่เรื่อยๆจิตก็จะหยุดคิดฟุ้งซ่านได้ความเครียกก็จะหายไปเราไม่เราไม่ยอมทำอย่างเงีเราชอบไปคิดถึงความเจ็บไายได้ป่วยยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ ก็ต้องหยุดคิดมันคิดถึงพุโทโธแล้วมันก็หายทุกข์แต่ไม่อยากคิดกันชาวกลับไปคิดเรื่องที่ทำให้ทุกแล้วก็มาบ่นมาทำอะไรก็อย่าไปคิดถึงมันเลยก็ให้คิดถึงพุโทโธก็ทําไม่ได้คิดแค่พุโทโธคำเดียวคิดทําไม่ได้ก็ยังไปทําอะไรได้ คุณสัมพันธ์ครับกับผมฝึกนั่งสมาธิอย่างนั่งได้นานๆพอถึงจุดหนึ่งร่างกายก็ปวดท ร, รมานฝุกอย่างไรครับเป็นพุโทโธต่อไปเลยเวลาเกิดอาการจะปวดขึ้นมาก็อยากไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปกอดติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวอาการจะบปวดอันนั้นมันก็จะไม่มาท ร, รมานใจคุณอีฟครับกลับเป็นถามเจ้าค่ะคนที่มาจีบเราถือว่าเป็นการเป็นมารที่มาทดสอบเราใช่ไหมเจ้าคะ่ะ ก็แล้วแต่เราจะมองคนบางคนจะมองว่ามีเทพ ม, มามามาปวดเราก็ได้ <laughs> แล้วแต่ว่าเราต้องการยังไงถ้าเราไม่ต้องการมีแฟนแล้วก็อา จ, จว่าเป็นมามามาทดสอบเราก็ได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่อยากจะมีคู่อยู่แล้วแล้วเก็จะบอกว่าเทพเป็นประธานพรให้กับเราแล้ว คุณสมพรครับพระอาศัยวัดป่าจะเน้นการนั่งสมาธิเน้นการปฏิบตัติการทําทุดงงวัดไม่เน้นการพูดคุยกันกับโยมหรือกับคารวาสหรือแม้กับพระนักบวช ด, ด้วยกันเองต่างถือปฏิบตัติไม่คุยกันเข้าใจถูกต้องไหมครับถ้ายังเป็นนั่งปฏิบัติอยู่ยังเป็นผู้ที่ยังไม่สําเร็จก็จะเน้นการปฏิบัติอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ผู้บรรลุธรรมแนละ้วท่านก็จะโปรดญาติโยมต่อไปท่านก็มีโอกาสท่านก็จะแสะดงธรรมสุนทรธรรมสอนทําให้กับญาติโยม แต่งถงนั้นระหว่างที่ยังฝึกอยู่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นี่ก็จะไม่สนใจกับเรืการที่ไปคุ้ยคีกับบุคคลต่างๆเป็นต้องการจะปลีกเงเองอยู่คนเดียวเพื่อ น, นั้นการปฏิบัติให้มันสําเร็จนุ่งไปเพะการปฏิบัติสําเร็จนุ่งๆทีนี้ก็ออกไปสัมผัสกับสังคมได้ท่าประโยชน์ให้กับสังคมนียเพราะพุทธเจ้าหกปีท่านก็ไม่ไปยุ่งกับใครแล้วหลังจากที่ท่านตัดใจมาเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านก็เริ่มแสดงครับ ดยามยกบทสัมมโลกวันละสี่รอบสามสี่รอบด้วยกันคุณปาลิชาติครับเรามีความตั้งใจเพียงปฏิบัติภาวนาเพื่อละทิ้งทางโลกแต่ถ้าเกิดมีคนที่ในอดีตเคยสร้างกุศลร่วมกันมาเวียนพบกันเราควรทำอย่างไรคะหากพยายามสู้เพื่อลักกิเลสแล้วเราจะสามารถพ้นรอยกรรมนั้นได้ใช่ไหมครับได้เมื่อเรามีความแน่วแน่มั่นคงกับการปฏิบัติแนละ้ว เราก็อะไรก็จะไม่สามารถที่จะมาเบี่ยงเบนเราได้เบี่ยงนเราไปได้นอกจากว่าเท่าใจเรายัางวอกแว่อยู่ใจเรายัางไม่มั่นคงพอมีอะไรที่เราที่ว่าดีกว่าให้ความสุขกับเราบางกว่าแล้วอาจจะทิ้งการปฏิบัติไปก็ได้ขนาดไปเจอคู่คู่ค้องในอดีตมาแล้วเขามีของรอดใจเราเขาเป็นเศรษฐีเราก็อาจจะนึกว่าเขามาจีบเราก็จะมาเอาเราไปเป็นแฟนนี่ มันก็าจจะทําให้เราเปลี่ยนใจจากการปฏิบัติก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติจนถึงเห็นว่าความสุขที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันเหนือกว่าความสุขจากการที่จะได้เสียการตอนนั้นน่ะมันก็จะไม่มีอะไรที่จะมามาล้มความตั้งใจของเราได้ล้มได้ยากอยู่ที่ขั้นการปฏิบัติของเราว่าไปถึงขั้นไหนนะถ้าได้ ถ, ถึงขั้นสมาทีแล้วนี้ยากว่าที่ใครจะมามาดึงออกไปได้ แต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิยังยังทุกข์อยู่การเดินยังครหน้าสมาธิอยู่อคอยมีใครมาเสนอให้พาไปเที่ยวเมืองนอกสักเดิอนสอเดือนอนี้อาจจะไม่ไปนี่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไปเทีย่ยวดีกว่าคุณแต้มสีครับดิฉันเข้าใจถูกไหมคะฉันชอบรสเปรี้ยววิญญาณเกิดที่ลิ้นสัญญาทํางานว่าเคยชอบรสเปรี้ยวจึงเกิดสัง ข, ขารปรุงแต่งหาของเปรี้ยวมาทาน เกิดเบญนาว่ามีความสุขสดชื่นและจิตที่เกิดที่ลิ้นแม้จิตจะดับไปแล้วพอจิตเกิดใหม่ก็เป็นจิตที่ชอบรสเปรี้ยวเพราะตัวสัญญาใช่มันเป็นสิ่งที่มันมันฝังอยู่ในจิตไงมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายตายไปแต่ความชอบรสเปรี้ยวก็ยังอยู่ต่อไปพอชาติหน้าพอได้ร่างกายใหม่พอไปสัมผัสรสเปรี้ยวมันจะชอบทันทีทําไมคนถึงมีความชอบไม่เหมือนกันะบางคนชอบสีดําสีแดง ส, สีเขียวบางคนชอบสีฟ้าสีน้ําตาล นคนชอบอสหวานงคนชอบรสเค็มันแต่ละคนมันเป็นสิ่ที่เคยทำมาในอดีตบ <Yeah. S 1> ุกฟังมาจนเป็นนิสัยเป็นสันดานอยู่นะคุณนิพาครับลูกเต้าสมัยนี้ทำไมไม่อยากใกล้ชิดพ่อแม่ดูเหมือนเพื่อนๆสำคัญมากไม่ค่อยดูแลพ่อแม่การช่วยงานเพิกเฉยทำแต่งานที่ทำงาน ทำใไมู่กคิดว่าเราจะหารั์ไปเพื่ออะไรจากวันรั์ที่เราหาก็ตกเป็นของพวกลูกๆแต่ลูกๆไม่ช่วยเลยลูกควรทำตัวแบบไหนครับคือสังคมมันเปลี่ยนไปนะสังคมสลายก่อนดร น, นนี้เรายังอยู่ร่วมกันทั้งปู่ย่าตายายนุ่มร้านแต่สังคมปัจจุบันนี้ทุกคนเริม่มมีไม่ไม่ต้องสามารถขึ้นตัวเองได้ไม่ต้องเกาะติดอยู่ร่วมกันช่วยคอยดูแลกันก็จะยากกันไป ไปตอบสนองความกิเลสได้ง่ายกว่าเวลาอยู่กันกับครอบครัวใหญ่ๆเราจะทำอะไรบาเทีมันก็ทําไม่ได้มันก็มันก็ไม่สะดวกแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวนี่จะไปทําอะไรก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่ไปกินเหล้ามเอายาจะไปทำบ้าบอคอแตกอะไรที่ไหนเพราะมันไม่มีใครรู้มันก็เมื่อเมื่อสังคมมันเอื้อต่อ ก, การให้เราไปปรียบไม่ไดอยู่กคนไปอยู่คนเดียวได้มันก็เลยทําให้ไม่อยากจะอยู่กับครอบครัว อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่พออยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่กับพ่อแม่ก็ต้องสำรวมต้องทำตัวให้เรียบร้อยเป็นเด็กดีของพ่อแม่แต่พอสามารถไปทำงานหทำในของตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ก็เลยแยกตัวเองไปอยู่ให้มีครอบครัวของตนเองแล้วก็ไปหาความสุขในรูปแบบที่ตนเองชอบก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันเมื่อไม่อยู่ใกล้ชิดกันมันก็เลยความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเจอืเจอาจารยงหายไป บุญคุเรื่องความสำคัญของพ่อแม่ก็จะค่อยๆเดิมไปเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ท่านแล้วอันนี้เป็นผลของของเรื่องของสังคมอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การไม่ได้มีธรรมะมาคอยคอยสอนคอยเตือนใจถึงเรื่องความกตัญญูกตวเวทีที่ควรจะมีต่อพ่อและแม่เพราะพ่อแม่นี่เป็นบุคคลที่ประเสริฐสาหรับลูกๆว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ลูกๆนี้ก็จะเกิดมาไม่ได้ ที่เราเป็นตัวเป็นตนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพอ่อมีพอ่อแม่สร้างสร้างร่างกายมาให้กับเราใน ม, มือคุณของพ่ อ, พอแม่นี่เอล้นฟ้าทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดอย่าว่าแต่ไม่อย่าว่าแต่ไม่ทดแทนทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วไ ม, ไม่ไม่ทดแทนนี่ก็แสดงว่าเราเป็นคนที่ใจใจไม้ไส้ระกับเป็นคนใจที่ไม่มีไม่มีความสํานึกในบุญคุณเขาพูด ก็เป็นเรื่องของการขาดธรรมะเพราะพ่อแม่จะมาสั่งสอนเรื่องบุญเรื่องคุณเขาไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าโทวงบุญคุณเพระาะนั้นเราจับใจเลี้ยงมันไปส่วนมันจะเห็นบูญคุณของพ่อแม่หรือไม่นี้ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อแม่สัญญาอย่ายยงดีใจที่ลูกไปบวชกันไง ล, ลูกไปบวชลูกจะได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวทีเ ร, รื่องสัมมาคารวะเรื่องที่สู ง, สง ท, ที่ต่ำอะรอย่างี้ก็จะทําให้เขามีจิตสำนึก ถูกผิดถูกดีชื่อที่ถูกต้องตามแนวที่พระอาจารย์ได้ท่งตัดสรุมมาสอนเนี่ยมันมีสองส่วนนกันส่วนหนึ่งก็คือสภาพสังคมการอยู่ของเรามันเปลี่ยนไปแล้วสองการไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีธรรมะคอยอบรมสังสอนจิตใจก็เลยทำให้เรามุ่งไปอยู่ทางของกิเลสเพียงอย่างเดียวกิเลสจะคอยให้คิดถึงประโยชน์สุวของตัเองเอง อันนี้จงไปเที่ยวไหนะอันนี้จไปทำอะไรไม่เคยคิดแต่ว่าอันนี้ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยพ่อแม่เป็นยังไงไม่เคยสนใจนะคุณพีโกครับขันห้ารู้ว่าทำให้เกิดทุกข์ตายเกิดไม่สิ้นสุดแต่ใจกลับไม่เรียนรู้ทำยังไงให้ใจมีความเบื่อกับขันห้าครับขันห้าไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ต, ตัวปัญหาคือดิเลกความอยากอยากเสมรูเสีย ง, งกินร ตรองไตัดที่ตัวนี้โันห้าเป็นเพียงเครื่องม้าเครื่องมือเท่านั้นเองถ้าไม่มีความอยากก็ต่อไปมันก็จะไม่มีคันห้ า, musician, าแต่ถ้ายังมีคันห้าอยู่ถ้ายังมีความอยากอยู่ต่อให้ถ้าไม่มีคันห้าวันนี้มันก็ไปหาคันห้าใหม่ต่อไปวันข้างหน้าอยู่ดีดังนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของคันห้าอยู่ที่เรื่องปีเลตความอยากอยากที่จะหาความสุขผ่านคันห้าอยากจะหาความสุขผ่านตาของจมูกริ้นกายงนั้นต้องไปหยุดความอยาก วิทยาหยุดคำอย่างด้ก็ต้องเป็นบัติทานศีลภาวนาเท่านั้นเองคุณปราณีบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันค่ะสงสัยว่าผิดปกติไหมคะไม่เหรอคนที่เขาไม่ฝันก็มีเยอะแยะไปเขาไม่มาพูดมาคุยมาบอกเราเท่านั้เจากคุณสมพรครับคนที่เป็นคนประเภทที่ตกจริตต้องแก้ด้วยหลักธรรมข้อใดดีครับก็ความจริงมาแก้เลยความจริงก็คือ เกิดมาแล้ว ต, ต้องต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนคิดบ่อยๆแล้วความวิตกมันจะหายไปมีไม่วิตกกับอะไรวิตกกับความเจ็บค่าดได้ปุ๋มมันก็ต้องเจ็บวิตกกับความตายมันก็ต้องตายครพอมันเห็นความจริงมันก็หายวิตกก็เลนมันไม่ยอมมองความจริงมันชอบคิดว่าทุกอย่างทุกอย่างยังต้องเป็นไปยังด้วยดีแต่พอมาคิดถึงความจริงเข้ามันมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราอยาก อยากได้ก็ได้พอไปคิดอย่างนี้มันก็เลยวิตกกังวลขึ้ น, นมาคุณป้าไอแมนครับสติกำลังน้อยต้องฝึกแบบไหนให้มีกำลังมากขึ้นครับเ่าโทรไปทั้งวันเลยคุณแนตตี้อำนาจแห่งการเพ่งในสมาธิสามารถทำให้เราระลึกชาติได้ไหมครับการมีสมาธิดี ก็จะทําให้คนบางคนสามารถระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ทุกคนความสามารถระลึกชาตินี้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การได้สมาธิเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความสามารถพิเศษที่แต่ละคนอาจจะเคยได้สร้างขึ้นมาในดีตชาติซึ่งเราเรียกว่าปิญญาความสามารถพิเศษซึ่งจะต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เกิดความสามารถพิเศษนี้ แต่การที่ได้สมาธินี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะรับรองว่าจะได้ได้ความสามารถพิเศษมันมีอย่างอื่นที่จะทําให้มันเกิดความสามารถพิเศษอาจจะเป็นก like. ารฝึกฝนอบรมมาในอดีตชาติก็ได้อาจจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอวให้เราระลึกชาติได้หรืออาจจะหรออาจจะเป็นนิสัยที่เป็นคนที่ชอบจําชอบชอบจดชอบจําเรื่องนู่นเรื่องนี้ gang. จําได้เรื่องได้เยอะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราระลึกชาติได้ เวลาทีา่จิตเราสมบถ้ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมลงลงมาในอดีตชาติกับการมีสมาธิด้วยถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่สงบเนี่ยความสามารถพิเศษเหล่ น, นี้จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้คุณเพนครับถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยการบังคับจิตให้หยุดคิดดูจิตอยู่ว่างๆสักเดียวอาจเผลอปรุงแต่งแต่เราฝึกให้หยุดปรุงไปเรื่อยๆ บางครั้งมันไม่อยู่ค่อยพูดโธแต่ถ้าอยู่ก็ดูเฉยเฉยให้หยุดปรุงอยู่เฉยเฉยทำแบบนี้เรื่อยๆถูกหลักปฏิบัติธรรมหรือไม่คะก็นั่นแหละก็อย่าให้มันคิดก็แล้วกันถ้ามันคิดก็ต้องพูดโธถ้ามันไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องพูดโธแล้วก็ถ้ารู้เฉยเฉยไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพูดโธแต่พอถ้าคิดปั๊บก็พูดโทอยู่ทันทีคุณดีทีครับ เรียนถามพระอาจารย์ตอนอยู่บ้านตากท่านอาจารย์รู้สึกประทับใจครูบาอาจารย์องค์ไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากองค์หลวงตาครับอันนี้เราก็ไม่ได้คิดเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ปคิดเราก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงดีออาาน้องหมอไปเลยคุณรังสีครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลเป็นสาธารณะต้องทําอย่างไรครับก็หมายถึงว่าเราไม่ได้เจาะจงกับคนนั้นคนนี้ เราทําบุญแล้วเราก็บุญที่ให้กับสรรัตว์ประสาททั้งหลายไปเท่านั้นเองเปลี่ยนผู้รับจากคนนั่นคนนี้กลายเป็นสรรัตว์ประสาทไปดวงวิญญาณดวงไหนถ้าผ่านมาต้องการชด น, นี้ก็เอาไปได้เลยเป็นสาธานนะคุณมันลิกาครับการปล่อยวางคือการวางรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราจะปล่อยอะไรเลย ถาเราต้องการปล่อยวรูปแล้วก็ปล่อยรูปปล่อยเสียงแล้วก็ปล่อยเสียงถ้าต้อการปล่อยเงินทองก็ปล่อยเงินทองไปเงินทองมันจะหายจะไม่หายก็ไม่เป็นเดือดร้อนกับมันก็เลยมาปล่อยวางเรื่องนั้เรื่องเงินทองได้ปล่อยวางเรื่องสามีภรรยาสามีภรรยาก็จะไปทําอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนกับเขาแล้วก็ปล่อยวางเขาก็คืออยู่ว่าเราต้องการปล่อยวางอะไรความจริก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างพระเจ้าบอกว่า ถ้าไม่ปล่อยวางเรื่องไหนมันก็จะทําให้เราทุกข์กับเรื่องนั้นได้ถ้าเราไม่ปล่อยวางเรื่องเงินทองเราก็จะทุกข์กับเรื่องเงินทองเวลาเกิดนี้มีปัญหาทางด้าเนเงินทองถ้าเราไม่ต้องการจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างให้หมดคุณมอมรศักดิ์ครับการเรียนถามพระอาจารย์ทําไมนั่งสมาธิแล้วถึงได้บุญครับไม่เข้าใจครับความสุขใจเนี่ยบุญคือความสุขใจเป็นความสุขใจนี่เกิดได้ในรูปแบบ จากการทําือทางทางเสียสละแบ่งปันแล้วก็เกิดความสุขใจได้จากการรักษาศีลแล้วก็เกิดความสุขใจได้จากการนั่งสมาธิทําใจสงบแล้วก็เกิดความสุขใจได้จากการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางได้แล้วก็ได้ความสุขใจก็เป็นมุนเหมือนกันมุนแต่แะระดับมีความหนักหนักเบาไม่เท่ากันมุนจากการทําทานนี้จะเบากว่า บุญที่เกิดจากการรักษาสี่งบุญที่เกิดจากการรักษาสี่งจะเบากว่าบุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบจากการนั่งสมาธิแล้บุญที่เกิดจากการตายก็เบากว่าบุญที่เกิดจากการที่เรามีปัญญามีดวกตาเห็นธัรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะนั้นเป็นปัญญาเป็นบุ ญ, ญบที่มากที่สุดหนักที่สุดมีน้ําหนักมากที่สุดคุณแพทย์ครับ การเรียนถามการปล่อยวางไม่คิดและการปล่อยใจลอยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเกิการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่คิดเราก็คิดได้เแต่เราไม่คิดยึดติดเราคิดปล่อยวางต้องคิดต้องคิดว่าเราไปนี้ไม่ยึดติดกับสามีแล้วไม่ได้ยึดติดกับเขาจะไปไหนมาไหนกรรมกี่ทุ่มก็ไม่ก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดคิดว่าเราไม่ไปยุ่งของเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงดีชั่วไงเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขา อันนี้เรียกว่าเปการล่อยวางต้องใช้ความคิดสอนใจให้ปล่อยาวางโดยการปล่อยใจให้ลอยก็คือไม่มีสติให้ให้คิดเพ้อฝันไปถึงว่บนบางทีนั่งอยู่นั่งอยู่คนเดียวบางทีนั่งรอหมอเนี่ยวันนี้ก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเนี่ยใจลอยวันนี้พยาบาลท่ามาเรียกตัวว่า ถ, ถึงเวลาไปหาหมอแล้วจะถึงง่าสติขึ้นมานี่เหียกว่าการปล่อยใจปล่อยใจลอย ปล่อให้คิดเรื่อยเปื่อยไปในะให้ไม่มีการคารอบคุมควาคิดนั้นคุณมาลาทรีครับอยากพายาธิธรรมจากเชียงรายไปตักบาตรพระอาจารย์ในวันขึ้นสิบห้าค่นี้พระอาจารย์เดินมิถาบาตรไหมคะถ้าไม่ตายไปก่อนหรือถ้าไม่เป็นถ้าไม่มีอุรระนะ่สประสานอดไรเราก็ไปทุกวันนะแต่ไม่ได้เดินตลอดสายทั้งๆจะจะเดินช่วงต้นช่วงกลางและช่วงช่วงปลาย โดยในสองช่วงระหว่างนั้นจะจะพักขึ้นนั่นนงรถอยู่งั้นถ้าอยากจะชัวร์ๆก็เอาช่วงช่วงต้นหัวแถวหรือช่วงกลางช่วงท่อนกลางหรือช่วงท่อนปลายที่อยู่แถวสามแยกไฟแดงนั่นอาจจะนั่งอยู่สามช่วงแล้วจะหยุดพักอยู่สองช่วงได้กันญาติโยมที่เคยใส่มาเขาจะรู้เข้ามาหลายเข้ามาสักครั้งสองครั้ก็จะรู้ว่าตรงนี้ไม่เราไม่ได้เหนื่อยต่อไปเขาก็เปลี่ยนที่ใส่ใหม่ไปใส่ช่วงที่เราเดิ ต้องขออภัยนยว่าตอนนี้มันเดินแล้วมันเจ็บหลองเลยพักพักเดินขึ้นพอนั่งอยู่เฉยๆถ้าพ้ามันก็หายเจ็บพอหายเจ็บก็ลงมาเดินต่อเดินได้สักสินาทีมันก็เจ็บอีกแล้วก็ขึ้นไปนั่งสัก5้านาทีแล้วก็มาลงลงมาเดินเลย ค, คุณลองทีมครับถ้าลูกชายสำเร็จอรหรันสามารถไปโปรดโยมมารดาให้บรรลุสดดาบันบนสวรรค์ได้หรือไม่ครับ ก็พระพุทธเจ้าทําได้นะอยู่ที่ว่านุชา ม, มีมีอภิญญามีความสามารถมีตาที่มีสามารถติดต่ออะเทวดาได้หรือไม่ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ไปสอนไม่ได้คนที่บรรลุพระอรหันต์นี้ไม่ได้มาเขาว่าจะมีตาที่ผูกทิพย์ทุกคนบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีอันนั้นเป็นความสามารถพิเศษ คุณสาวบ้านนอกครับกลับเดินถามพระอาจารย์ครับภรรยาถือสีลแปดทำให้สามีมีชู้ถือว่าสามีผิดสินีไหมครับถ้าเขาไม่ถือสีนเขาก็ไม่ผิดสีนถ้าเขาไม่ถือสีนห้าเขาก็ไม่ผิดสินใช่ไหมตอนสินห้าถ้าเขาถือสีนห้าเขาก็ผิดสีนนั่นจะว่าอย่างไรดีเขาว่าผิดสเน่ยเถิดต้องต้องถือสีนแล้วไม่ถือสีนถ้าไม่ถือสินอยู่แล้วเขาก็ไม่ผิดสีนเขาก็ไม่มีสินที่จะผิด ครับคุณนพครับเวลาที่โยมสวดมนต์เสร็จจอธิฐานนะครัพระเจ้าเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาและเข้าถึงพระนิพพานในภาพปัจจุบันหรืออนาคอตอันใกล้เพราะอธิฐานแบบนี้ใช่ไหมคะชีวิตวุ่นวายเหนื่อยยากทั้งเรื่องยากพี่น้องเป็นบททดสอบหรือเปล่าคนระับคือการอธิฐานของอะไากตต้องอธิฐานด้วยการปฏิบัติข้าพเจ้าขอให้น่าปฏิบั ทุกวันให้ใหด้วยปฏิบัติสีนทุลาที่ปัญญาทุกวันก็นจะเข้าถึงพันธะานได้แม่ช้าไปแต่ถ้าจะนนั่งของที่ใช้ให้สีเกับขึ้นให้ทุลาที่กับขึ้นให้ปัญญาเกิดขึ้นนี่มันไม่เกิดขึ้นเองเราต้องทํเราต้อรักษาสีอยากจะเข้าถึงสีก็ต้องรักษาสีอยากจะเข้าถึงสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิอยากจะเข้าถึงปัญญาก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาไตรลับพิจารณาอริยสัจสี มันถึงจะเข้าถึงได้มันไม่ได้เข้าถึงจากการขอจากการที่ถ่านขอให้เข้าถึงสิ่งมันขอเฉยๆมันเข้าไม่ถึงหรอกต้องต้องเข้าด้วยการปฏิบัติคุณเอกชัยครับสมมุติว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกแค่หนึ่งเดือนจะมีวิธีสอนใจให้ทําใจยอมรับมันและไม่ทําให้ใจทุกข์ทรมานได้อย่างไรบ้างครับก็ ถ้ามันยังไม่ยอมรับก็ต้องทําใจให้สงบก่อนให้มันนิ่งก่อนทำสมาธิให้ได้เพราะที่ตัวที่ต่อต้านคือกิเลสที่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้เังนเราก็ทําให้ตัวกิเลสนี้มันอ่อนกําลังลงด้วยการเข้าสมาธิถ้าจิตเข้าสมาธิกิเลสมันก็จะอ่อนกําลังลงหรือหยุดหยุดต่อต้านเวลาที่เราจริตสงบเราเต็มที่และพอเราออกจากสมาธิมาใหม่ๆกิเลสมันยังไม่มีเลี้ยมีแรงเราก็สอนใจให้ยอมรับ ใจของเราเขจะยอมรับได้ถ้าถ้ายังไม่ยอมรับก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ฉะนั้ว่ากิเลสมันยังมีนานมากต้องทําทั้งสองอย่างคุณนันทิชาครับต้องทําสมาธิถึงระดับไหนคะเราถึงสามารถแยกจิตออกจากกายได้ครับต้องเข้าฌานไหมครับต้องเข้าขณะคานิค ะ, ะสมาธิข้าพนาสมาธิก็คือฌานสี่เอง จิตนวลเป็นหนึ่งศักแต่ว่าเราถ้ารู้แป๊บเดียวนวลแป๊บเดียวก็เรียกว่าคณิกาสมาธิถ้ารู้ง้างตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปนาสมาธิหรือด้วยฌานสิคุณสีลินรายงานนะครับเรียนจากการฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องที่คนส่วนใหญ่รําคาญเสียงที่ไม่ชอบโดยที่พระอาจารย์แนะนําให้ลองคิดว่าเสียงนั้นคือเสียงจากธรรมชาติลูกลองนําไปปฏิบัติใช้ทําให้ลูกใจเย็นและไม่ไปรําคาญกับเสียง ต่างๆนั้นและเลยขากลาบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมนแต่เราเป็นแยกแยะเหมือนว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยทุกอย่างมันทํามจากธรรมชาติมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้คุณช้าช้ครับจิตของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ไม่มีสติสมาธิเป็นอย่างไรคะจะแนะนําให้เขาปฏิบัติทําได้หรือไม่ครับ ขณะที่ยังไม่ป่วยมันยังปฏิบัติยากเลยและตอนที่ป่วยจะไปปฏิบัติของยิ่งยิ่งยากเลยพระพุจ้าถึงสอนมาให้รีปฏิบัติก่อนที่ร่างการเราจะเป็นอะไรไปอย่าไปรอให้แก่เจ็บแล้วค่อยจะตายแล้วเข้ามาปฏิบัติและไม่ทันการคุณหลานปู่นาคาครับกระผมมีกรรมเกี่ยวกับไฟไฟชอบไหมที่อยู่อาศัยควรแก้กรรมอย่างไรครับก็อย่าไปยุ่งกับไฟเอย่าไปมีไฟ จะไปมีไม่ขิดอยาไปจุดไฟคุณวีนาครับกับขออนุญาตเรียนถามคนที่ทำบุญทำบาปจิตวิญญาณคนนั้นต้องออกจากร่างกายคนนั้นใช่ไหมคะและผู้ที่จะพาจิตวิญญาณไปรับผลบุญผลบาปคือใครคะคือจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตเพียงแต่มาเชื่อมเชื่อมติดวยกระแสของจิตคือวิญญาณรับรู้ เาร่างกายตายไปการการเชื่อมต่อระหว่างจิตกับวิญญาณก็ส้น ส, สุดลงแล้แลผู้ที่เป็นผู้ที่พาให้จิตไปรับผ ล, ผ ล, ผ ล, ลบุญผลบาปก็คือบุญและบาป ท, ที่จิตได้ทำไวในขณะที่ยังไม่ตายคุณป้องครับพอฝึกสมาธิจนเข้าออกได้คล่องแคล่วแล้วหมั่นทำความเพียรตามดับสังขารทุกขณะจิตยังผลให้เกิดมหาสติผมเข้าใจถูกไหมครับอาจารย์ คือมาสตินี่มันเกิดจากการที่เราจลน์สติอย่างต่อเนื่องจนมันไม่เผอจนมันเป็นสติอัตโนมัติคือไม่จำเป็นที่จะต้องมาคอยเตือนให้ตั้งสติมันมันจะมันจะตั้งของมันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นมาสตินเอง คุณป้าปนัดดาครับพระที่เข้าปริวาสกรรมคือพระที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษใช่ไหมคะแล้วเราทําบุญใส่บาตรเรายัางได้บุญเท่าเดิมไหมคะขอแม่ตาพระอาจารย์อธิบายครับอ๋อได้คือพระที่ไปเข้าปริวาสกรรมเนี่ครับจริงคือพระที่ไปทําผิดข้อที่เรียกว่าสังขารนิเสกนะววิธีที่จะออกจากบาปนี่ได้ต้องไปต้องไปอยู่ต้องแยกตัวเองยดอยู่มันก็นไปติดคุกเนี่ย ไม่ให้มาทำกิจาการรมรวมกับภาพรูปนแต่สำหรับนี้การเข้าบริวาสกรรมม์มันมันมันกับกิจกรรมที่เราไปปฏิบัติธรรมกันโดยที่ไม่ได้ทำผิดอาบัตข้อใดข้อหนึ่งเฮ้ยนะเขาจัดจัดงานบริวารศักรร์เพื่อจะได้ให้ไปปฏิบัติธรรมให้เป็นปิดวิเวกไงเพราะผู้ที่อยู่บริวารนี้ต้องไม่ไปคุกคีไม่ไปยุ่งเห ย, ยื่อคนอื่นแต่ให้ไปติดคุก ในเขาก็ลยแปลความาการปฏิคทุนี่คือการไปปิดไปปิดวเว่ยเขาก็เลยเขาก็เลยไปปิดวเว่ยกันโดยที่เขาไม่ได้ทําผิดอาบัตข้อนี้แต่อย่างไดเพราะฉะนั้นถึงแมข้ขพระจะมีอาบัติอยู่แต่เขาก็ยังเป็นพระอยู่แล้วการทําบุญใส่บาตรก็ยังได้บุญเหมือนเดิ <MO VE> มการบุญนี้การบุญที่เราทําจากการใส่บาตรหรือการจากการบริจาคของเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้รับนะใครรับก็ได้บุญเหือน ถ้าเราให้ข้าวสนัขเราก็ได้บุเหมือนกันเพราบุญคือความสุขใจเอ่มใจที่เกิดจากการเสียสละของเราฉะนั้นการทําบุญนี่ไม่ผลบุญนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับผู้ให้ผู้ให้ให้มากหรือให้น้อยให้มากก็จะได้ความสุขมากให้น้อยก็ได้ความสุขน้อยได้บุญน้อยเท่านั้นเอง คุณผมแมค่ร ค, ครับพระอาจารย์ครับถ้าศัเวลาผ่านมาเยอะนะเนี่ยสามจุดสองสามสอบครับผมอ่าครับเอาสุดท้ายานะครับผมถ้าต้องจําบทสว ด, สดมนต์ไม่ค่อยได้จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติธรรมไหมครับตอนบวชครับตอนบวชมันก็ต้องเมือนก็ต้องจําบทสวดที่เราใช้ในการสวดในการบวชซึ่งมันไม่ยากหรอกมันแค่กระดาษหน้าหนึ่งสองหน้าเท่านั้นเอง แต่เวลาปฏิบัติทำความจำไม่ดีไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องจำบทสวดมนต์ก็ได้เราเพียงแต่จำพุโทโธคำเดียวก็พอถ้าเราจำพุโทโธได้ตลอดเวลานี่เราก็ถือว่าเราได้สมาธิได้สติแล้วพรอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีผู้ชมทางยู u ูบหก เอาทาง f a c e b o o หก5้อยห้าสิบสี่คนจากยู u t u เจ็ด8้อยสามสิบแปดคนในข่าว h า u สิบสาคนครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่พันสี่ร้อยห้าคนครับอาจารย์ครับก็ขอเชิญชมยินดีกับท่านที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมและก็ระหวังว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนี้จะได้นำให้ท่านไปสู่การบรรษุธรรมตามลาดับต่อไป การสนทนาสำสนับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแกเวลาก็าขอให้ท่านจวงนำมาเสิยงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอินสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผูชมทุกฝั่งว้เป็นเพียงเท่นี้นะถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็ขอคงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอจเจริญพร อขอบเขณาารครับคุณ้อำนวยจารค่